ตอนสัมมาปฏิบัติกราบนุัสการพระคุณเจ้าคุณไม่ชีกลยาณมิตรทุกคนนั่งสบายๆเนาะเป็นคืนวันเสาร์ก็มีการพูดจากันนิดหน่อยช่วงนี้บ้านเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงนะพรกครูเตือนสติทุกคนนะมันเป็นเรื่องชอบส่วนตัวแต่ว่าในช่วงเวลานี้ไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นคือไม่เลยนะอย่าพูดเรื่องการเมือง น, นะ ตอนนี้โรงเรียนที่ด่านเม่นเมื่อวันก่อนก็นายทหารเขาก็วิ่งมายองจะเป็นคำสั่งว่าให้โรงเรียนหยุดทำกิจกรรมสามวันนะตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็งานก่อสร้างที่นั่นก็ต้องหยุดนะเป็นว่าที่ศูนนี่ไม่ใช่โรงเรียนชนนั้นเป็นโรงเรียนเราก็ปฏิบัติเป็นปกติแต่ถ้าเราไปเผลอพูดเรื่องการเมืองมันจะผิดกฎหมายเกินห้าคนขึ้นไปอันนี้ต้องมีสติ นะรู้เท่าทันเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงจะทำตามใจตัวเองคนที่ชอบพูดสักจะพูดก็จะพูดพูดพู ด, พดนะเออไม่ใช่ตัวเราเองเดือดร้อนองค์กรจะเดือดร้อนด้วยอันนี้ก็เตือนกันนะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนเราต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงจะไปยึดมั่นถือมั่นรู้จะปล่อยวางบ้างนะก<อ>็คืนนี้เนื่องจากมีญาติที่ทมาใหม่นะพักวัูก็จะพูดเรื่องการปฏิบัติของเราก่อนจะเข้าสู่การวิธีปฏิบัติ นะซึ่งมันไม่มีวิธีนะมันไม่มีสูตรตายตัวแล้วพระกูจะพูดหลักใหญ่ๆให้ฟังกเ็เคยได้เห็นนะก็ลืมไปแ ล, แล้วว่าเห็นที่ไหนพระพุทธองค์ตัดไว้ไงพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งนะพระองค์ชี้ให้เห็นว่าสัมมาปฏิบัติแก่นสาระ ของสัมมาปฏิบัตินั้นคืออะไระข้อที่หนึ่งพระองค์ยกตัวอย่างว่าพวกเราเป็นผู้ครองเรือนเราต้องทำมาหากินและผลของการทำมาหากินที่ผลพลอยได้ก็คือลาบสักการะและชื่อเสียงซึ่งเป็นโลกิยธรรมเป็นเรื่องธรรมดานะแต่พระองค์เปรียบลาบสักการะและ <c oughs> ชื่อเสียงเนี่ เปรียบเสมือนใบไม้แล้วก็กิ่งไม้นะพระองค์เอาต้นไม้เนี่มาเป็นมาเป็นตัวยกตัวอย่างลาบสักการะและชื่อเสียงนั้นเปรียบเสมือนใบไม้และกิ่งไม้ส่วนศีล น, นะศีล น, นั้นเปรียบเสมือนสะเก็ดไม้สะเก็ดมันเล็กๆนะสมาธิเปรียบเสมือนเปลือกไม้เปลือกมันเท่านั้นเองนะ ส่วนยานทัศนะหรือปัญญาเนี่ยพระองค์เปรียบเสมือนกะพีของไม้คือเข้าไปในเปลือกหน่อยหนึ่งนะแต่วิมุติคือนิพพานเนี่ยเปรียบเสมือนแก่นไม้ที่ชี้เรื่องนี้ก็เพื่อรู้ว่าสัมมาปฏิบัติคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยสิ่งที่ควรปฏิบัติเป้าหมายสูงสุดก็คือ ความดุจพนก็คือนิพานนั่นคือแก่นแท้ของการประพฤติปฏิบัติคือสัา ม, มาปฏิบัตินะ อ, นนอันนี้อันนี้เป็นหลักนะเป็นหลักทีนี้อุบายวิธีที่จะทําให้ถึงตรงนั้นนะพระองค์ก็ยกตัวอย่างสี่แปดมสี่พันพระธรรมมขันโดวยเฉพาะการทํากรร ม, มาฐานเนี่ยกรร ม, มาฐานก็เป็นเสี่ยวหนึ่งเป็นเสี่ยวหนึ่งนิดหนึ่งนะ ต, ตัวอย่างคือสี่กองกรรมฐานนั้นคือสั ม, มถาถรกมฐานนะส่วนวิปัสนากรรมฐานนั้นพระองค์ก็ยึดเอาสติปัฏฐานทั้ง4ี่คือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการดําเนินส่วนสี่กองกรรมฐานเนี่ยที่พวกเรารู้อ่านหนังสือเป็นเราก็รู้ทุกคนอ่านทุกคนก็รู้นะอันนั้นเป็นแค่รู้นะมันเป็นเทคนิคอุบายวิธีนะก็ เราต้องรู้ว่าเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรเราเกิดมาทําไมงานหลักก็คืออะไรนะงานหลักก็คือต้องเข้าไปถึงแก่นให้ได้นั่นคือเป้าหมายของการเกิดแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเราต้องดํารงชีวิตเด็กเกิดพยุกต์นี้การดํารงชีวิตต้องเกิดจากการแข่งขันก่อนนะต้องต่อสู้กันนะเมื่อแพ้เมื่อมอชนะเราก็ได้ดํารงชีวิตแม้กระทั่งไปทํางานทุกอย่างเขากระตุ้นให้เราแข่งขัน แล้ว เ, เป็นนักการทํางานนะต้องทํางานก่อนต้องต่อสู้กับเ ง, งานที่เราทําแล้วก็ต่อสู้กับเพื่อนร่วม ง, งานด้วยพวกแข่งขันนะถึงจะดำบงชีวิตได้มันก็เป็นสัมมาอาชีวะอันนี้สัมมาอาชีพก็เป็นหนึ่งในมรรคมีองค์แปดซึ่งทุกคนต้องมีอาชีพนะทุกคนต้องมีอาชีพเป็นสัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพอาชีพอาศัยอย่างชีพคืออยู่ได้ไม่ตาย แต่ทุกวันนี้อาชีพเราส่วนมากไปมาเล่นเกมแพ้ช น, นะเล่นเกมรวยกันนะเล่นเกมสร้างอนาคตกันเราไม่ทำเพื่ อ, อย่างชีพมันจึงยากที่จะเป็นสัมมาอาชีวะนะสัมมาอาชีวะเราทามาหากินเพื่อเลี้ยงชีพส่วนเกินเราก็แบ่งปันสร้างทานบารมีนะก็กำลังจะไล่เข้าไปนะก็ทานศีลภาวนา เป็นเครื่องมือที่จะไปเดินสู่แก่นที่พระเจ้าบอกแก่นต้นไม้นั่นนะคือนิพานคือวิมุตตนะิก็เครื่องมือก็คือสินสมาธิปัญญาส่วนพระองค์ก็อธิบายว่าสินนี่เปรียบเสมือนอะไรก็เหมือนสะเก็ดไมนะ้สมาธิเทียบเท่ากับเปลือกไม้เท่านั้นเองนะ ส่วนกังเหมือนจริงๆคือวิมุตติก็ ค, คือความหลุดพลไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเป็นผู้รู้มากไม่เพื่อปฏิบัติเพื่อจะได้ลาบยศลรเสรนนะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนอยู่ในกระแ ส, สาศาสนาในส่วนมากเรียนรู้เยอะๆเพื่อจะได้ยดถาบรรยาศได้ตำแหน่งได้ลาบยศลรเสรินก็อยู่ในข้อหนึ่งเท่านั้นเองนะเป็นแค่ข้อหนึ่งนะเป็นแค่โลกิยธรรมนะอันนั้น แต่ที่นี้เราไปเน้นเรื่องนั้นน่ะเราให้ความสำคัญตรงนั้นน่ะเกือบเก้าอร์ซในชีวิตเราเราเน้นเรื่องอาชีพเพื่อสร้างฐานะเพื่อลาบยศสรรเสริญนะเออนั้นเก้าสบอร์ซนะจริงๆแล้วตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะมันแค่ผลพลอยได้จริงๆแล้วเรามีสัมมาอาชีวะเนี่ยเพื่ อ, อยังชีพเพื่อรักษาร่างกายนี้ชีวิตนี้เนี่ย เพราะร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเดินทางของจิตเราต้องเลี้ยงดูมันถ้าเราไม่มีอาหารกินเราก็ตายไม่มีน้ํำดื่มเราก็ตายเราต้องมีปัจจัยสี่นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องมีเป็นหนึ่งในมรรคมีองแปดเห็นไหมสติเอย่ยสมาธิเอย่ยก็อยู่เป็นหนึ่งในมรรคมีองแปดเมื่อกี้พวกคูยกตัวอย่างห้าข้อนั้นนะ่ะโดยเฉพาะข้อที่เป็นศีลสมาธิปัญญานั้นนะ่ะ ไม่มีคำว่าสติแต่ตอนนี้การปฏิบัติทำเนื้อเปเน้นที่สติในที่ไหนก็สติสติสติเราเลยเข้าใจว่าสติเป็นเป้าหมายสูงสุดสติเป็นพระเอกหลายคนก็จะจิตจมอยู่สติก็เลยไม่พ้นทุกเห็นไพระองค์ไม่ได้ยกตัวอย่างสติเลยไม่อธิบายเลยสติเห็นไาบสักการะและชื่อเสียง ลนะาบสกัละและชื่อเสียงแล้วยกตัวอย่างศีลสมาธิปัญญาและมิมุติไม่มีสติแต่ตอนนี้การปฏิบัติธรรมเราเป็นเน้นที่สติเอาสติเป็นพระเอกมันจึงแป๊กไงไม่ใช่พ่อครูกล่าวอ้างเลยลอยนะพ่อครูพูดตลอดบางเอื้อนได้เห็นสูตรนี้ก็ว่าเออไม่ใช่ตรงกับที่พ่อครูคิดนะไม่ใช่พ่อครูไม่คิดพ่ะครูรู้สึกตรงกับสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสไว้ ถ้าจิตไม่ติดบ่วงแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเหมือนกันแต่พระองค์พระ อ, องค์ตัดเป็นวาจาที่ว่าเป็นพุทธวาจานะก็ช่างเป็นภาษาแล้วเนี่ยนะมันก็ทำให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าพระ อ, องค์เน้นอะไรชี้ให้เราชัดเจนแต่ตอนนี้เนี่ยก้าสอร์ซในสังคมบ้านเราเนี่ยการปฏิบัติทางไปจบที่สติแม้กระทั่งสมาธิเนี่ยพระ อ, องค์ก็ยกตัวอย่างเป็นแค่ เป็นแค่เปลือกต้นไม้ต้องมีเปลือกกับพีต้องมีแก่นต้องไปด้วยกันแต่ถ้ามีแค่เปลือกกับพีไม่มีแก่นมันก็ลม น, นี่คือแก่นธรรมแก่นพุทธศาสนานะทีนี้เมื่อกี้ก็บอกว่าพราะองค์ก็ชี้ทางให้ว่าเออในนั้นการเดินทางไปสู่แก่นเนี่ยแล้วต้องพึ่งเครื่องมือสามอย่างเบื้องต้นคือศีลสมาธิปัญญาทีนี้ศีลสมาธิปัญญาก็แตกแขนงเป็น มักมีองแปดศินในที่นี้เนี่ยมีแค่สามข้อแต่ตอนนี้เราไปคุ้นเคยกับศินห้าสินแปดสินสิบสิปฏิโมกอันนี้เป็นศินแค่วิในเป็นสินกติกาอยู่ร่วมเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดแย้งกันเท่านั้นเองแต่สินการปฏิบัตินั้นมีแค่สามข้อจะมีอาชีพอะไรก็ช่างจะมีอาชีพเป็นภิกษุภิสูณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นชนชาติใดก็ช่างนะถ้าต้องการพ้นทุกข์แล้วเนี่ย ปฏิบัติศีลแค่สามข้อมีแค่สามข้อนะคือวาจาชอบอาชีพชอบการกระทําชอบซึ่งอยู่ในมัดเห็นชอบดําริชอบสองข้อแรกนี่เป็นเรื่องของปัญญานะเป็นเรื่องของปัญญาวาจาชอบอาชีพชอบการกระทําชอบเป็นเรื่องของศีลศีลในการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์นะส่วนความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบนั้นน่ะอันนี้อยู่ในหมวดของสมาธิ นะปัญญาศีลสมาธิเขาลำดับแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นปัญญาเบื้องต้นตอนนี้เราก็เอาตัวนี้มาสอ น, นว่าเธอต้องมีสมาธิตินะเด็กๆ เ, เธอต้องมีปัญญานะเธอต้องยึดหลักปัญญานะมันยึดไอ้ที่มันไม่มีปัญญาเราต้องปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นท่านในช่วงศีลสมาธิปัญญาและ ป, ป, ป, ป, ปัญญาคือเป้าหมายสูงสุดเมื่อเราเป้าหมายสูงสุดแล้วเรามีปัญญาแล้วเราก็จางคลายความยึดมั่นถือมั่น กายในกายภาพมีในขันหนะ้าเราจางกายความยึดมั่นในสมมติบัญญัติต่างๆเราเข้าเข้าสู่วิมุตติวิมุตตินี่คือแก่นคือผลสูงสุดในการปฏิบัตินะต้องต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้แล้วเราจะไม่หลงทางแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปจิตที่สติสติเป็นแค่เครื่องมือในการเดินทางอย่างหนึ่ง นะอันนี้ในมักดีองแปดนะถ้าแตกแข น, แนงให้มันครบองเลยนะก็เมื่อช้านี้ก็ได้ยินญาติธรรมพระครูสอบบลมว่าสองวันนี้เนี่ยหลับตาเห็นเลขสามสิบเจ็ดบางคนไปตีจะไปซื้อเลขสองตัวแล้วถ่ายรูปได้เห็นไหมเบอร์สามสิบเจ็ดเลขไทยถ่ายที่นี่ อันนี้คือสั ญ, ญลักษณ์ของโพธิปักขียธรรมสาสิบเจ็ดประการนะโพธิปักขีย์ธรรมสาสิบเจ็ดประการนะเป็นเครื่องมือนำเราไปสู่วิมุตติหรือนิพนทีนี้ไอ้สามสิบเจ็ดประการนี้เนี่ยเริ่มต้นจากสติปฐานสนีะ่เราต้องมีสติปฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมเทวดาไม่มีกายเทวดาทาไม่ได้ เทวดาจเจริญมากไม่ได้เทวดาจเจริญโพธิปักคียธรรมสามจุดเจ็ดประการไม่ได้เพราะเทวดาไม่มีสติปัฏฐานทั้งสี่ครบมนุษย์เราเป็นสัตว์ชนิดเดียวเท่านั้นที่มีสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีกายนะเขาก็มีจิตแต่เขาไม่มีสมองที่คิดเป็นนะเขามีสมองที่คิดที่จ ะ, จะเจริญวิปัสสนาได้ เขาจึงเจริญมหาสติปัฏฐานไม่เป็นเขาเกิดมาใช้ในี่กรรมอย่างเดียวเราเป็นสัตว์มนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยสัตว์ประเสริฐเนี่ยไม่ใช่ประเสริฐ ด, ด้วยการเกิดนะเกิดมาประเสริฐเลยฉันก็เป็นผู้ประเสริฐแล้วไม่ใช่เราประเสริฐเพราะเราเจริญมัตเราเจริญโพธิปักคิยาธรรมสามพิจิตประการได้ช้างมันตัวใหญ่กว่าเราแต่สมองมันเล็กกว่าเรา นะมีคำพูดครั้งหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ในยุคเรานี่แหละท่านเอ่ยว่าคิดอย่างไรก็ไม่รู้แต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องคิดเมื่อเช้านี้ก็คุยกับอาจารย์อ้อยที่ห้องครัวนะคือเราต้องคิดก่อนว่าเราจะพ้นทุก์เราจึงได้มาที่ศูนย์เราจึงได้มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติอะไรปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติจิตนั่นแหละ สัจธรรมธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจรงิงตอนนี้ความจริงมีอย่างเดียวเท่านั้นในตัวเราคือจิตก็คือปฏิบัติจิตนะจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธทีนี้เราคิดก่อนเราถึงจะได้มาพอเราฝึกเยื่อมจิตเราปฏิบัติจิตแล้วเนี่ยคิดอย่างไรก็ไม่รู้เราจะอาศัยความคิดแบบตักกะความรู้จนเรียนจบ ด, ด็อกเตอร์อะไรก็ช่างมาคิดเรื่องจิตวิญ ญ, ญาณเนี่ยคิดไม่ได้คิดอย่างไรก็ไม่รู้ นะต้องเลิกคิดแต่ต้องเริ่มต้นจากว่าเราคิดเป็นก่อนเราคิดที่จะสแสวงหาเราคิดที่จะบังเพนเพียนนะแต่สัตว์เดรัจฉานมันคิดตรงนี้ไม่เป็นนี่แหละเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์เราเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานนะนี่แหละคือคิดอย่างไรก็ไม่รู้ถ้าอยากรู้ก็ต้องคิดเราคิดว่าถึงได้มาที่นี่นะเมื่อมาแล้วเข้าสู่การปฏิบัติจิตแล้วเนี่ยต้องเลิกคิด ถ้ายิ่งคิดปฏิบัติด้วยคิดไปด้วยเอมันหมุนอย่างนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะมันจะดึงกันเหมือนชักขยอ่อมันไม่ไปไหนหรอกนะมันไม่ใช่เป็นหนึ่งเดียวเป็นสองมันมีผู้เพ่งกับสิ่งที่ถูกเห็นมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันไม่ใช่เอกขะตาลงมันเป็นสองมันไม่ใช่เป็นหนึ่งเมื่อเราโดยเข้าไปในจิตในจิตเป็นหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยไม่มีผู้เพ่งกับสิ่งที่ถูกเห็นไม่มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ บางคนก็แย้งว่าเอา้าไม่เคิดไม่เพ่งพิจารณาเกิดปัญญาได้อย่างไรปัญญาต้องเกิดจากการเห็นแจ้งของจิตไม่ได้เกิดจากการนึกคิดหรือพิจารณาคาดคะเนอันนั้นเป็นแค่จินตนาการเป็นแค่จินตมยปัญญาส่วนภาวนามยปัญญานั้นถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆก็คือว่าเราอยากรู้เรื่องจิตแล้วก็โดดเข้าไปริ้มรสจิตเลยเพราะว่าเพราว่าน้ำตัวนี้เป็นจิตแล้วก็โดดลงไปในน้ําน้ําก็คือเราเราก็คือน้ําเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อไปเพ่งดูมันนะเรารู้ว่าน้ำมันเย็นมันร้อนยังไงเรารู้แบบนั้นรู้จากประสาทสัมผัสรู้จากวิญญาณสัมผัสนั่นคือภาวนามยปัญญานี่คือเจริญวิปัสนาแต่ตอนนี้เราไปกาหนดรู้ซ้ายรู้ขวารู้หนึ่งรู้สองรู้สามนะเออไปรู้มันไปรู้มันไปกำหนดมันเนี่ยนั่นเป็นแค่สัมมถกรัมฐานมันเกิดความสงบชั่วครู่นะอุบายแต่ว่าหลอก นะอุบายจะไม่ใช่หลอกลวงเราหลอกคิดเราเนี่ยไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเพื่อให้มันสงบให้มันเลิกคิดเมื่อมันเลิกคิดแล้มันก็สงบที่เราไม่สงบเพราะเราคิดส ม, มะถะกรรมฐ า, านนี่เป็นอุบายเทคนิคเพื่อให้เรามีหน้าที่มีที่ยึดไปที่นิดเพ่งพิจารณานะเพ่งเรื่องนั้นมันก็รู้ความคิดมันก็รู้สึกสงบแต่พอเลิกเพ่งปุ๊บมันก็วีนอีกเพราะไอ้เชื้อที่ทําให้เราไม่สงบมันยังอยู่ มันยังอยู่ข้างในนี่แหละพระเจ้าถึงสอนวิธีว่าต้องเข้าไปในจิตในจิตทีนี้วิธีเข้าไปในจิตในจิตต้องใช้เครื่องมืออันดับแรกคือสติปัฏฐานสี่ไม่ใชฝึกสตินะต้องใช้มันใช้กายเวทนาจิตธรรมทีนี้อย่างเราไปบวชครูบาอาจารย์ก็บอกให้เราพิจารณา ขนผมเล็บหนังฟันนะอันนี้คือตายข้างนอกเริ่มจากข้างนอกนะพิจารณาผมพิจารณาฟันเพื่อให้เราไม่ตรนังคิดมันเป็นอุบายวิธีที่ให้จิตมีหน้าที่มันก็เลือกคิดมันก็เกิดความสงมบชั่วครู่นี่คือสมถะกรรมฐานเมื่อพี่นาเพียงที่มาเมื่อเราสงบนิ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางทีจิตมันก็ดิ่งเข้าไปข้างใน นะไปพิจารณาอะไรถ้าพวกคุเรียนำดบบไม้ในเมืองไทยไปอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคอุบายวิธีนี่มีเยอะมากถ้าเราเดินทางไปต่างประเทศไปอินเดียไปจีนไปที่เบรไปอะไรนะเทคนิคอุบายวิธีในการฝึกจิตเยอะมากแต่บ้านเราก็จับต้องได้บางอย่างนะสมมุติว่าเราเอากายข้างนอกก่อนเริ่มจากพุโทโธพุธโทโธไม่ใช่กายนะ สิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดคือลมหายใจมันไม่ใช่กายเราแล้วก็ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการกำหนดเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ขนผมเล็บหนังฟันด้วยนะไม่ใช่กายด้วยเป็นของนอกกายซึ่งใกล้ชีวิตเรามากที่สุดเพราะเรานอนหลับกระชั่งมันก็ต้องหายใจเราอยู่ที่ไหนมันก็ต้องหายใจนะ ก็อันนี้ผู้เจ้ายกตัวอย่างคืออานาปัญสติล่ะปเป็นเจริญเอาลมหายใจเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติแต่เป็นแค่อนุสติก็คือสติลเล็กๆนะอันนี้คือข้างนอกทีนี้ก็เอาอวิชเวตรของกายบ้านเราเนี่ยนะเดินจมกลมขวาหนอย่างหนอเห็นไหมแต่ว่ากายเราก็ได้สัมผัสพื้นอันนี้คือกายข้างนอก ใช้อริยเบทของกายเป็นเครื่องมือเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสตินะอันนี้ยังอยู่ข้างนอกนะทีนี้เราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้ที่วัดม่อนฤศีพระอาจารย์ที่วัดท่านก็สอนอยู่คือกายคตาสตินะอันนี้ก็เข้าไปข้างในเข้าไปในกายในกายไปดูตับไตไส้พุงน้ำเหลืองอะไรพวกนี้ นะอันนั้นไม่ใช่เราเห็นจริงๆนะมันเป็นจินตนาการขึ้นมาเป็นจินตนาการขึ้นมาบางทีเราจินตนาการขึ้นมามันก็เกิดอุปทานทําให้เรารู้สึกว่ามันสังเวชเราไม่สวยอย่างที่คิดเลยซจ้าคนสวยๆเนี่ยลอกหนังออกดูซิเห็นไหมเห็นแต่เลือดเห็นแต่น้ำเหลวองเห็นแต่เส้นเอ็นกล้ามเนื้อพะพาเข้าไปนะเห็นแต่ตับไตไส้พุงนะ เห็นแต่เรื่องสิ่งปฏิปูลนี่คือเข้าไปในกายในกายเพื่ออะไรเพื่อใช้อุบายก็คือหลอกแต่ไม่ใช่หลอกลวงหลอกให้จิตเราเนี่ยวางความคิดนะเพื่อให้เข้าไปสัมผัสอสุภะนะที่อสุภะข้างนอกเขาไปมองซากศพอันนี้อสุภะกรรมฐานนะไปดูซากศพท่าโน้นท่านี้อันนี้ก็ข้างนอก ให้มันเกิดสังเวชนะทีนี้อาจารย์มีพระอาจารย์มีวัดน่ท่านก็สอนให้เข้าไปดูกายไหนกายเห็นว่าความสวยงามเนี่ยมันเป็นเรื่องมายานะพอฉีกหนังออกมาแล้วเนี่ยทุกคนไม่ต่างกันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟประกอบขึ้นขึ้นมาเป็นน้ำมูก น, น้ำเหลืองอะไรพวกเนี่ยนะมันไม่ได้สวยงามเลยทำให้เราเกิดสังเวชนะ เกิดเวทนาขึ้นมาแล้วก็เข้าไปสู่จากกายในกายกายนอกกายแล้วกายในกายแล้วเราเกิดสังเวกมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาแล้วก็เอาเวทนาที่นั้นนะ่ะมาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติแต่ถ้าเราอยู่แค่นั้นวันนี้ก็ดูเกิดสังเวกบางคนอ้วกแตกอ้วกแตนเลยนะนะ อ, อ้วกแตกอ้วกแตนเลยแลวเคยๆแต่งื้อผางามไม่แต่งแล้ว นะถ้าไม่ปฏิบัติต่อนะอาทิตย์หนึ่งก็มาสวยๆงามๆเหมือนเก่ามันเป็นแค่อุปทานใหม่แต่ไม่ใช่มันมิได้ประโยชน์ทำให้เราจางคลายความยึดมั่นถือมั่นกายภาพข้างนอกแต่ถ้าไม่ดำเนินต่อไปแล้วเนี่ยบางคนดาเนินต่อไว้ก็เห็นทุกวันแล้วมีคุณหมอท่านนึงท่านก็บวชเหมือนกันท่านทุดงมาที่นี่หลายปีแล้วมากับพระอาจารย์ปรมี่มาเยี่ยมพกู ท่านบอกว่าการที่ไปดูอสุภะข้างในแล้วมันบรรลุธรรมเนี่ยบอกคุณหมอท่านบอกว่าท่านต้องบรรลุนานแล้วท่านผ่าตัดเห็นของจริงเลยไม่ใช่จินตนาการแต่ถ้ามันเห็นบ่อยๆแล้วมันก็เหมือนธรรมดาแล้วไงมันไม่เกิดสังเวชอะไรเลยเขาเรียกว่าเวทนามันตายด้านมันก็แปลกก็มันเห็นบ่อยๆมันก็มีสังเวชเดี๋ยงแล้วไงอันนี้เป็นเทคนิคอุบายเฉยๆนะทีนี้เราไปยึดมั่นถือมั่นเราต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ ไปสร้างเป็นแบรน์เนมเป็นค่ายเป็นกวนน่อต้องเอาแบบนี้เอาแบบนี้เท่านั้นแนะ่ะมันก็แบบนี้ก็ได้แบบนั้นไงมันก็ติดอยู่แบบนั้นไงมันก็ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้นะนี่พอคูไล่ให้ดูนะทีนี้บางคนเนี่ยเขาก็ไปดูจิตนะเขาบอกว่าข้ามพ้นกายในกายแล้วเวทนาในเวทนาแล้วก็ไปนั่งดูจิตเพราะเขาอยากเห็นจิตไปนั่งเพ่งจิต ดูจิตนะขับวยก็ดูจิตนะอันนั้นมันไม่ได้เห็นจิตมันก็เห็นแค่อารมณ์เวทนาเท่านั้นเองนะไม่ใช่เห็นจิตแบบนั้นเราต้องเปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตในจิตต้องเปิดเข้าไปในจิตในจิตเราจะเห็นเลยว่าอารมณ์ในจิตนั้นมันเป็นอย่างไรอารมณ์ในจิตนั้นคือธรรมในธรรมคือธรรมมลถ้าเราไม่เข้าไปในจิตในจิตแล้วเนี่ยเราไม่มีวันเสพธรรมในธรรมธรรมในธรรมนั้นคือธรรมมล บันทึกในรูปของกรรมดีกรรมชั่วในอดีตบาร ม, มีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบอยู่ในนั้นหมดนี่แหละพระเจ้าถึงสอนวิธีเข้าไปในจิตในจิตนะไปเสษธรรมในธรรมเนี่ยแล้วก็ดึงเอาสี่อย่างนี้เนี่ยกายเวทนาจะรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตาลงคือเป็นหนึ่งเดียวไม่มีผู้เพ่งในสิ่งที่ถูกเห็น ในขณะเดียวกันหนึ่งวินาทีนั้นกายเวนาจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวเราพิจารณาไม่ทันไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินเรารู้เฉยๆร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้พอเคลื่อนไหวมันเหนื่อยเราก็รู้ใช่ไหมมันทุกข์เราก็รู้เห็นไหมอารมณ์ข้างในมันเป็นยังไงมันก็ส่งมาทางกายภาพเราก็รู้เฉยๆเราพิจารณาไม่ทันเหมือนเรายิงเต้ารินอ่ะเอ๊ะมันสีอะไรใครยิงมามันตกก่อนนะ แล้วบางทีมันไม่ใช่ไม่ใช่มาลูกเดียวมันมาหลายลูกอย่างเราอยู่ในสังคมบางทีมันรวมรวมพวกกันด่าเราทีหนึ่งสามคนเลยเราจะไปทันหรือเปล่าไม่เพี้ยนหไม่ถึงรู้เฉยๆนั่นแหละคือใช้สติที่เรามีอยู่เนี่ยรู้เท่าทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งกายเคลื่อนไหวก็รู้ความรู้สึกเวทนามันก็รู้มันดีใจเสียใจก็รู้มันสุขมันทุกข์เราก็รู้รู้เฉยๆไม่ต้องอยากรู้แต่ตอนนี้ เราถูกฝึกตั้งแต่เด็กจนโตแล้วเนี่ยต้องเป็นคนใฝ่เรียนรู้ไอ้ตัวนี้เป็นเรื่องลนะ <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นกิเลสเรากิเลสก็พัฒนาพปสู่ตัณหาตัวอยากรู้อยากเห็นพอเห็นอะไรขึ้นมาปุ๊บไปพิจารณามาแล้วเหมือนเราดูภาพยนต์เห็นไหมเราก็นั่งดูเฉยเฉยเงี้ยดูเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยเนี่ยไม่ต้องพิจารณาเราจะเห็นเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราพิจารณาพระเอกหรือนางเอกคนเดียวเนี่ย เราจะพลาดโอกาสในการเห็นเนื้อเรื่องทั้งหมดนิพพ ส, สนาไม่เกิดขึ้นนั่นเป็นแค่สัมมต า, ากรรมฐานเชื่องที่เราเพ่งอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยก็ทำให้เราไม่คิดเนี่ยแล้วจะเกิดความสงมบชั่วครู่อันนั้นเป็นอุบายวิธีเบื้องต้นแต่ทำไปทามาก็ไปติดมันกี่สิบปีอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็แตกนะสมาธิเปียบเส ม, มือนเปลือกแค่เปลือกอันนั้นเป็นทางผ่าน แต่เราพเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็นั่งสมาธิฝึกสมาธิฝึกสมาธิไม่ใช่เรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเราต้องดูกันว่าเราฝึกทำไมนะถ้าฝึกเพื่อให้มันมีสมาธิเรามีอยู่แล้วสติก็มีอยู่แล้วบางคนบอกมีสตินะมีสตินะมันมีอยู่แล้วต้องใช้สติต้องใช้มันแต่ตอนนี้เราใช้มันไม่ทันเพราะอะไรสติเรามีกำลังสมมติว่ามีห้าสิบ แต่ความโลภความอยากเรามันมีเจ็ดสิบเราสู้มันไม่ได้เราไม่ทันมันประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถึงว่าแค่เจริญสติแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเจริญสติกับอริบทช้าช้านั่นสปีดมันช้าแต่ตอนนี้รูปนามันเกิดดับมันเร็วมากแล้วฝึกช้าช้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่รูปนามันเกิดดับเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันไม่ทัน เราต้องเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมมาจักต้องเร่งให้มัเร็วขึ้นช่วงเร่งสตินี่คือใช้สติเร็วขึ้นไม่ใช่ฝึกสติแต่ถ้าเป็นการฝึกก็ฝึกโดยการใช้มันจริงๆนะแต่ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนมีแต่ฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกแล้วไม่เคยใช้มันเลยเจริญมรรคจิตเนี่ยในนั้นอ่ะต้องใช้เราเข้าไปในจิตแล้วอารมณ์ใดมันเกิดขึ้นมันไม่มันไม่ได้บอกเราล่วงหน้ามันโผล่ขึ้นมาเลยตอนนั้น เราต้องรู้เท่าทันมันแต่ถ้าว่ารู้ไปรับรู้ไปรู้สึกเลยปุ๊บเหมือนเนี้ยอารมณ์ที่ผ่านมาเห็เนละพลาดไม่เห็นเลยนะเนี่ยสัต่ว่ารู้สัต่ว่าเห็นไม่พิจารณาไม่ตัดสินนะเริ่มจากเรามีสติปัฏฐานทั้งสี่เราต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวทีนี้มันตรงอยู่ที่สิ่งที่เราปฏิบัตินะมันไม่ใช่วิชาใดวิชาหนึ่ง โคที่ปักเขียทำสามจุเจ็ดประการอยู่ที่นี่หมดอยู่ในนี่หมดเพียงแต่ว่าเวลานี้จิตมันจะใช้เครื่องมือตัวใดมาจัดการมันอัตโนมัติไม่ใช่ฝึกวิชาใดวิชาหนึ่งนะทีนี้ในอาณาปนาสติสูตรเนี่ยซึ่งอาณาปนาสตินี่เป็นแค่หนึ่งในสี่สิบกรรมฐานเป็นอนุสติหนึ่งในอนุสติสิบอนุสติสิบ อ, ส, บอสุภะสิบ ใช่ไหมที่สี่สิองกรรมฐ า, านนั่นเป็นแค่หนึ่งในสี่สิบนะแต่อ า, านาปนสติเนี่เป็นเครื่องมือทำให้สติประฐานทั้งสี่เนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่ตอนนี้เราไปแยกส่วนอานาปริตเดคื อ, าา อ, าาอว่าเริ่มจากลมหายใจเข้าสั้นกรูลุยาวกระลุเราไปจับลมหายใจลมหายใจนี่คืออานาคืออากาศ เราเอาอากาศนั้นเป็นที่ตั้งเป็นเครื่องมือในการเจริญอาณาปณะสติเบื้องต้นแต่ถ้าสิบปียี่สิบปีก็อยู่ตรงนั้นหละเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้ละ่ะมันก็อยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ไปไหนเราต้องพัฒนาอาณาให้มันกลายเป็นปลานะเป็นปลานขึ้นมาคือที่มันหมุนหมนมุ น, มนเนี่ยมันเกิดลมปานแล้วเนี่ยทางคนจีนเขาฝึกชี้งงฝึกไถเก๊กอะไรเพื่อให้มันเกิดลมปาน นะหลวงปู่มั่นเองครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ของอีสานเราเนี่ยนะท่านก็ติดท่านเป็นเจ้าลทัทธิเป็นคนตั้งลทัทธิพุทธโธขึ้นมาท่านก็เอาเพื่อให้มันจำง่ายลมหายใจเข้าพุทธออกโธนะก็เป็นการเจริญอานาพิาติเบื้องต้นทีนี้หนังสือเล่มเก่าๆของท่านถ้าใครไปเห็นฮนะท่านติดตรงนั้นหลายปี แต่เงินตัวนั้นม่ใช่ไม่มีประโยชน์เพราะสะสมพลังแล้วเนี่ยจิตมันก็จะดิ้นนะท่านก็ปล่อยมันไปเลยทีนี้มันก็หมุนไปทั่วล่างเลยนั่นคือลนปานเกิดขึ้นแล้วนั่นคืออาณาปานะปานะคือตานคบกงแล้วถ้าเราพอใจแค่นั้นเราก็ได้เจริญอาณาปานสติเป็นอนุสติเราก็มีสติแต่เราเข้าถึงกล่องปัญญาไม่ได้ บนรถเดจอดวันนี้นานไม่ติดใช่ไหมล้วก็เข็นไหมเราก็ต้องใช้ร่างกายจิตใจช่วยกันเข็นเมื่อรถติดแล้วเราก็เดินขึ้นไปบนรถแล้วก็เปิดแอร์ได้เปิดวิทยุได้เราใส่เก็ยรพุทธมันดับเลยเห็นไหมเพราะพลังมันไม่พอเราต้องเร่งเครื่องใช่ไหมถูกแล้วเราต้องเร่นสติหมุนกลงล้อของธรรมจักครคาว่าธรรมจักรเนี่ยก็คือไอตัวหมุนนี่แหละใครทําให้มันหมุนคือจิตเราธรรมจักร จักสุภายในเราเห็นทมด้วยจักระสุภายในไม่ใช่เห็นจักระสุภายนอกนี่คือธรรมาจากที่บอกว่าพระเจ้าแสดงธรรมาจากกับประวัติสูตรอยู่ในนี้อยู่ในนี้เราต้องขับเคลื่อนปลดปล่อยจิตเราที่มันเกาะอยู่ที่ใจเนี่ยหัวใจจิตใจใจมันเกาะจิตเราไว้เราต้องปลดปล่อยจิตให้มันออกมาจากใจให้ได้มันจะเข้าไปสู่จิตในจิตนะ อันนี้คืออาณาปัญจติก็อยู่ในนี้สติปัฏฐานทั้งสี่อยู่ในนี้แต่ในช่วงที่เราจเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราต้องมีเครื่องมือช่วยเราต้องใช้อิทธิบาทสี่นะมีความศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคืออินสี่ห้าพลาห้าแล้วกอ็อิทธิบาทสี่ก่อนแล้วก็ส ม, มัชฌปัฏฐานสี่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสากับสิ่งที่เราทํา ฉันท่าคือมีความพึงพอใจกับสิ่งที่เราทําแล้วก็มีวิริยะมีความเพียรจิตตั้งมัน่นไม่วอกแวกพอเขาพูดต่อหูหน่อยนึงพวกเธอกําลังทําอะไรบ้าๆฉันไม่ตั้งมัน่นฉันก็ไปเลยหลุดไม่ว่าทางโลกทางทําเราทําทหน้าที่ต้องการสําเร็จเราต้องใช้อิทธิบาทสี่ต้องมีความพึงพอใจกับงานที่เราทําเมื่อเราพอใจมันก็เกิดวิริยะถ้าไม่พอใจเบื่อเบื่อเขาบังคับให้ทําตื่นมามันก็เหนื่อยแล้ว มันจะมีความขยนมันไหมมันไม่มีแต่ถ้าเรามีความพึงพอใจแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างขยันเลยเพราะเราชอบจิตก็ตั้งมั่นไงเพราะเรามีความสุขเพราะจิตตั้งมั่นนั้นคือสมาธิล่ะผลงานก็ดีไม่ใช่ทําไปด้วยคิดไปด้วยทําไปด้วยก็เมื่อรลอยไปเรื่เบื่อไปด้วยอ่ะนะมันไม่ตั้งมั่นสุดท้ายวิมังสาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมันก็เกิดประสบการณ์ก็เกิดปัญญาขึ้นมา ยิ่งทำพอทำเสร็จแล้วไม่หยุดนะมันก็ดูว่าให้วันนี้ทำดีหรือยังมีวิธีไหนทำดีกว่านั้นเพราะมันไม่พอใจแค่นั้นมันก็มีการพัฒนานี่คือพี่มังสาต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ช่วยคืออิทธิบาทสี่ยังไม่พอพูะเจ้าก็ให้เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งกำกับอีกคือสัมมัตประธานสี่ไอตัวนี้เป็นตัวเตือนสตินะสัมมัประธานสี่ข้อแรกก็คือว่า สำรวมระวังไม่ให้อกุศลใหม่มันเกิดขึ้นนะสำรวมระวังอันนี้ต้องใช้สติไม่ใช่ไปฝึกสติต้องใช้สติสำรวมระวังไม่ให้อกุศลใหม่มันเกิดขึ้นแล้วก็ข้ อ, ขอที่สองเพียรสร้างเอ้เพียรละอกุศลที่มันมีอยู่แล้วให้มันหมดไปนะอย่างพวกลอก เ, เอามันออกอยู่เนี่ยเอามันออกทุกวัน มันมีมาแล้วมันสะสมมานานแล้วเรากำลังมันออกนะแล้วก็เพียรสร้างกุศลใหม่ให้มันเกิดขึ้นไอ้ตัวนี้คือทำดีนะสร้างแต่ไปเรื่อยเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยอันสุดท้ายก็คือว่าสำรวมระวังอย่าให้กุศลที่มีอยู่แล้วให้มันหมดไปนี่คือส ม, มัตประทานสี่ถ้าเราสี่ข้อนี้กำกับชีวิตนะ เราพลาดพังน้อยมากทํางานก็ต้องมีอิทธิบาทสี่แล้วก็มีสมรรถประธานสี่แล้วก็ต้องใช้สติประฐานสี่ใช่ไหมสี่สามสิบสองสี่สามสิบสองนะแล้วก็ใช้อินสี่ห้าซึ่งเรามีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมบางคนก็ไม่เต็มนะมีครึ่งหนึ่งคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่บอกว่าเรามีอยู่แล้ว อดีตชาเราสะสมมาแล้วแต่ตอนนี้มันลืมมันถูกอาวิชาคือความรู้ผิดบล็อกไว้เราต้องขุดมันออกมาใช้นะเครื่องมือห้าอย่างถ้าไม่มีศรัทธาเป็นเบื้องต้นแล้วเนี่ยสมมติไม่ศรัทธาครูบาอาจารย์เขาบอกให้ทำฉันไม่ทำเห็นไมวิริยะก็ไม่เกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาที่มีอยู่แล้วมันก็ไม่มันก็ไม่ตื่นตัวเห็นไมเราก็ต้องใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือเดินทาง แล้วก็ใช้อินทรีย์ห้าแล้วก็พละห้าคือกำลังของมันเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยเอามาเทให้มันเลยห้ากับห้าก็เป็นสิบสิบบวกสิบสองเมื่อกี้ก็ยี่สิบสองทีนี้เมื่อเข้าไปในจิตในจิตได้แล้วเนียพโธชงเจ็ดที่เรามีอยู่แล้วสะสมมาหลายชาติมันก็แสดงตัวเริ่มจากสติสัมโพธิชงเป็นสติซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติของจิต ไม่ต้องฝึกแต่เรามาต่อยอดให้มันแข็งแรงขึ้นนะที่เราเต้นเราลำเหมือนคนเมาเหล้าก็ช่างแต่เราทำไมไม่ลมถ้าไม่มีสติมันลมแล้วนี่คือสติสำโพชงเราก็จะเลิโพชงไปเรื่อยๆนะมันก็เป็นแมทกับเมื่อกี้พวกครูพูดถึงเรื่องอาณาปณสติสูตรนะเขาบอกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเรื่องตายเลยนะ อานาปะยาติเนตเป็นกับสมถากรรมฐานเนี่ยแต่พัฒนาไปสู่วิปัสนากรรมฐานได้ผู้เจ้าตัดไว้ว่าดูกนพิษุทั้งหลายอาณาปนาสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ตอนนี้เราไปฝึกสมาธิถามว่าบริบูรณ์ไหมแล้วอยู่ในฐานกายไม่ก็ฐานเวทนาแล้วไปดูจิตมันจะแยกส่วนอยู่มันยังไม่บริบูรณ์ สติปัฏฐานทั้งสีอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงทั้งเจดให้บริบูรณ์ถ้าสติปัฏฐานทั้งสี่มันรวมไม่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราไม่เข้าไปกายในกายเวทนาในเข้าไปในจิตในจิตเราไม่สามารถเสพ ท, ท, ทำในธรรมทำในธรรมนั้นแหละส่วนหนึ่งก็เป็นโพชฌงเมื่อโพชฌงมาแสดงตัวแล้วเราก็เจริญโพชฌงไปเลยด้วยพระเจ้าท่งบอกว่าโพชฌงทั้งเจ็อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชา คือชอช้างสองตัวก็คือตัวปัญญาเนี่ยตัวยานทศนเนี่ยมันตื่นขึ้นนะมันตื่นขึ้นอันนี้ก็ได้ยานทศนะนะมันก็เท่ากับกับพีเมื่อเกิดปัญญาแล้วเนี่ยมันก็จางคลายความยึดมัน่นพวกมันว่างแล้วมันก็ว่างวิมุติก็เกิดขึ้นแล้วก็ไปถึงแก่นคือธรรมะทุกอย่างที่พระองค์ตัดไว้ตรงมุมไหนก็ช่างมันเชื่อมโยงมันได้หมดละ มันเชื่อมโยงกันได้หมดนะมันอยู่ในนี้นะก็เราใช้เราก็จเจริญสติสัมโพชฌงค์สวัสดิ์ในอดีตเนี่ยมันมีกำลังห้าสิบเอกระสิบเอร์เซ็าก็มาต่อยอดให้มันเต็มร้อยแล้วก็วิริยะสมโพชฌงค์อย่างสังเกตนะคนที่อยู่นี้นานๆเนี่ยพอถึงเวลาพุทธก็มาถึงเวลาพุ๊ธก็มาใครสั่งให้มาใครบังคับให้มามันเป็นความปกติของเรา ในทางโลกเราวิริยะเราขยันเพราะเราอยากได้พอเราหายอยากเราก็ไม่ทำอันนั้นมันมีอามิตรมันเป็นวิริยะของโลกิยะเราขยันเพราะเราอยากได้แต่ตอนนี้เราขยันเรามีวิริยะมีความเพียรเนี่ยมันเป็นพชงมันเป็นความปกติของเราพ่อครูสังเกตในศูนย์เนี่ยตอนเช้าพ่อครูมานะชั่วโมงตอนเวอร์ชั่นสุดท้ายที่นอนตายละมีสองคนยังตายไม่ได้ ส่วนมากลุกก่อนขึ้นมาก่อนในชีดีมเขายังตายไม่ได้เพราะเขาต้องไปทําหน้าที่วิริย <c> ะ <oughs> ไปเตรียมอาหารชาวแล้วก็ปุ๊บคนหนึ่งก็ลุกขึ้นมาไปเตรียมอะไรคือว่ามันเป็นความวิริยะโดยเป็นปกติไม่มีใครบังคับเรามันเป็นตามธรรมชาติพูดชงนี้ตอบตอบไม่ง่ายว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของจิตส่วนพูดชงใครจะแรงใครจะเบาแค่ไหนเนี่ย มันอยู่ที่กำลังเราสะสมมาในอดีตอดีตบุญเก่าบวกบุญใหม่คือบุญปัจจุบันคือผลที่เราปฏิบัติทุกวันนี้เราก็มาต่อยอดให้บุญเก่ามาต่อยอดถ้าเรามานั่งนับหนึ่งใหม่เนี่ยนะมามาสร้างบารมีใหม่ในชาตินี้เพราะครูบอกว่าตายก่อนไม่ทันมันไม่ทันกระแสรกรรมเราก็สร้างไวเง้เยอะมันก็ไล่บี้เราอยู่เราต้องไปเอา บารมีเก่าเรามาต่อยอดก็คือโพ่อชงนั่นแหละนะเราก็มีวิทยาสมุจงแล้วก็ธรรมวิจยะสมโพชงเขาจะวิจัยธรรมโดยไม่ผ่านคานนึกคิดพิจารณาเขาวิจัยธรรมโดยที่ว่าเขาเป็นลิมิตมันเลยนะก็เมื่อเช้าคุยกับอาจารย์อ้อยหายตัวไปห้าวันช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาอาจารย์อ้อยมีครั้งที่สิบแล้วต่างตายถ้าเราดูพฤติกรรมกต่างตายนะ ส่วนกายภาพเขาก็ไปพักผ่อนทุกครั้งเป็นอย่างนี้วันไหนที่แรงๆปุ๊บแกต้องไปเสพวิบากกรรมพอเสพวิบากกรรมปุ๊บกลางดึกปุ๊บมันจะเกิดปัญญาเคาเรียกว่ามัชิมะยานช่วงที่ร่างกายเรากาลังเคริมคร่มๆสมองมันไม่ทำงานแล้วน่ตอนนั้นยานรู้มันจะเกิดขึ้นมันต้องเอาช่วงที่ร่างกายเรานิดคล้ายๆว่าวทที่สุด ที่เราเบียงเราเบียียงเบีย ง, ยงให้อความคิดมันเบอรเรากลายเป็นเออ <c oughs> ล้วจะกลายเป็นคนสิ้นคิดนั่นแหละญาณรู้มันถึงจะเกิดถ้าความคิดมันยังบล็อกไว้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยญาณทัศนะมันเกิดขึ้นไม่ได้อาจารย์น้อยสิบครั้งแล้วแต่ละครั้งแรงขึ้นแรงขึ้นทุกวันแต่เมื่อเช้ามารายงานว่าโอ้โหมันเจ็บมากมากเลยแต่ว่ามีความสุขมากกับการเจ็บเคยได้ยินคานี้ไหม มีความสุขมากเลยที่มันเจ็บมากมากนี่คือปิติสัมโพชงแล้วเป็นปัจสัตย์สัมโพชงปิติสัมโพชงเนี่ยมันปิติโดยที่มันไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าปิติยินดีในทางโลกเนี่ยเพอะเราได้ในสิ่งที่เราชอบเราปิติเป็นเรื่องของกิเลสแต่ปิติสัมโพชงเนี่ยสมมุติว่าเราปฏิบัติแล้วเข้าสู่ความว่างไม่ได้อะไรเลยนะมันว่างจากความทุกข์ความเศร้าหมอง ตอนนั้นมันเจ็บปวดอยู่เราว่างจากความเจ็บปวดจิตไม่ไปยึดปิดมันน่ะนะเหมือนเหมือนเราสอบผ่านนะคือว่าเหมือนเหมือนเราไม่ทุกข์กับมันเลยเนี่ยมันจะเกิดปิติสัมโพชงนี่ขึ้นบอกว่ามันมีความสุขมากเลยกับที่มันเจ็บเพราะเราไม่ไปเจ็บ ก, กับมันแม้กระทั่งมันเจ็บเราก็ไม่ทุกข์ไงไม่ใช่ไม่ทุกข์เฉยๆนะมีความสุขด้วยไม่เกิดปิติสัมโพชงอันนี้คิดเราเองไม่ได้นะต้องปฏิบัติให้มันเกิดผล อันนี้คือผลมันออกมาแล้วแต่อาจารย์น่อยระวังตัวเดี๋ยวจะเจอหมัดหนักกว่านี้แต่หนักขึ้นมาทุกวันเนี่ยแกยิ่งเหมือนคนตายด้านอันนี้คืออะไรปัญญาไม่ได้แปลว่ารู้มากปัญญาคื อ, อรู้แจ้งเห็นจริงว่าไปทุกข์กับมันทำไมที่พ่อครูบอกว่าทุกมีไวให้เห็นไม่ได้มีไวให้ทุกเมื่อเราเห็นทุกข์แล้วเนี่ยเราอย่าไปทุกข์กับมัน มันทําให้เราหลอกให้เราทุกข์ไม่ได้นั่นคือปิติสัมโพชงเกิดปัจสัต t h สมปัจสัต thi สำโพชงคือความสงบเย็นนิ่งเฉยกับอุเบกขาไม่เหมือนกันนะมันมันมันคล้ายๆกันไม่คัอนนะอันนี้สงบโดยไม่ต้องฝึกสมาธิไปกดมันสงบมันสงบโดยธรรมชาติเป็นปัสสัต thi สำโพชงช่วงนี้อารอมณ์โพชงเรามันจะเกิดขึ้นตลอดเวลา พอมันเป็นของเก่ามีอยู่แล้วเนื่องจากว่าเรามีมหาสติปัฏฐานแข็งแรงเนี่ยมันก็ระลึกรู้มันมีกําลังระลึกรู้บารมีอดีตตื่นขึ้นมาเรื่อยเื่แต่ถ้าเราฝึกอนุสตีนี่มันเป็นแค่สติสัมปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมเอามาใช้หน้าที่แต่มันไม่มีกําลังจะลึกรู้อดีตได้นี่คือมหาสติปัฏฐานเป็นกําลังที่ดึงเอาพุทโธชงตื่นขึ้ น, นมาแล้วก็เราก็มีสมาธิสำเพื่ชงจิตตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่เราทําตลอดมันเป็น สมาธิโดยธรรมชาติไม่ใช่สมาธิโดยการฝึกไปกดมันไว้อันนั้นเป็นสมาธิชั่วครู่ใช่ไหมแล้วก็อันสุดท้ายคืออุเบกขาสัมโพชฌงมมีสติสัมโพชฌงมเหมือนเหมือนเราหมุนเราหมเราเรวหมือนหมุนเราหุนเเร็เนี่ยนะแต่บางคนยังไม่ชำนาญเนี่ยบังเอิญสติสัมโพชฌงมเนี่ยยังไม่เต็มร้อยแต่เขายังประคองตัวได้ยังไม่ชีลมั มันเร็วมากเห็นไหมทําไมมันต้องเร็วมันต้องใครเรียว่าไอ้จิตมันฝึกให้สติเรามันต้องเร็วขึ้นต้องเร่งสติถ้าเราฝึกสติช้าๆนะขวาก็รู้ซ้ายก็รู้อย่างนี้นเด็กๆก็ทําได้ลองหมุนเร็วๆแบบไม่ชีดีมสิรู้ทันไหมตีลังกาเลยเพาฝึกช้าๆมาเจอเลยเพีทีนี้เขายังประคองได้บ้างเอวนว่าแต่ยังไม่เต็มร้อยไงบางทีมันเร็วมันหลุดไง นะพี่เลียงก็ต้องปกครองตัวอย่าไปว่าเขานะคนหมุนไม่ได้อย่าไปว่าเขาอย่าไปอิจฉาเขาติดอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ใช่ติดจิตมันกาลังฝึกอยู่คนเรามันไม่เหมือนกันเอาตัวเองให้รอดชอบไปกล่าวเขานะถ้าเรายังไม่ทะลุป้องแล้วเนี่ยพวกครูยี่สิบห้าปียังไม่บังอาจใช้สมองโง่โงอายุหกสิบห้าปีไปสอนจิตเลย ใครบางอาจอย่าพูดให้สับสนช่วยกันดูแลก็ช่วยกันดูแลไม่อยากดูแลก็อย่าไปพูดอย่าไปอวดอุตริมนุษยธรรมดูที่ตัวเองตัวเองฝึกไปเขาก็ฝึกวิชาเขาพราครูไม่ได้สอนเขาเป็นอย่างนั้นนะบางคนออกจากศูนย์นี่ไปอะไรไม่รู้ไปทําอะไรไม่รู้เขบอกว่าศูนย์สอนอย่างนี้เหรอเขาพูดยังไงก็พูดไปเพราะครูไม่ทําไปแก้ตัวเพราะครูไม่เคยสอนแบบนี้ มันก็เป็นเรื่องของเฉพาะตัวมันเป็นนานาจิตตังไม่ใช่คนอยู่ศูนย์มาทั้งหมดแล้วก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดมีแต่หมูหันทั้งนั้นแหละปฏิบัติไปแล้วปฏิบัติพวกเราจะไม่เป็นอะไรเลิกเป็นยึดมั่นถือมั่นกับความคิดตัวเองอะไรตัวเองเนี่ยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมันไม่เหมือนกันเห็นไหมมันไม่เหมือนกันนะอย่างเนมันดิบเจ็ดขวบเลยยังไม่ท่าไหนดิบปวดแปดวันก็เป็นอหรหันต์แล้วเนี่ย ไม่ใช่ทุกคนต้องทำเหมือนเราเพียงแต่ว่าพอเขาชี้ดูว่าจิตเขาฝึกมาอย่างนั้นเขาก็ต่อยอดอยู่ในขาที่เขาต่อยอดเนี่ยมันยังไม่เต็มร้อยไงไอพ่อชมเนี่ยยังไม่เต็มร้อยเขาก็คุมได้ไม่ได้บ้างแต่ถ้าเขาไม่หยุดฝึกนะต่อไปเขาบินได้เลยบอกให้เราโมแต่ไป่ว่าเขาเนี่ยเดินอยู่นั่นเมื่อะไรจะถึงนะเอาเป็นว่าเห็นล้วก็วางเพียงแต่ว่าถ้ากังวลแล้วเนี่ย ก็ช่วยดูแลเขาเพราะช่วงนั้นนั่นจิตมันเร็วมากเหมือนมันฝึกให้จิตว่าเธอไปยิงช้าชยิงไม่ถูกชั้นหรอกเธอต้องฝึกยิงเร็วเร็วเมื่อเราฝึกแล้วต่อไปเนี่ยเขาด่าเราเนี่ยมันไม่บอกเราล่วงหน้านะระวังนะฉันจะด่าเธอมันด่ามาเลยนะมันตัดเลยกระทบหูไม่กระเทือนใจนี่คือมันใช้พวดชงอ่ะมันกําลังเจริญพวดชงถ้าไม่มีกําลังตรงนี้แล้วเนี่ยมันหมุนมันก็ อย่างน้อยเขาประคองตัวได้แต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นมันก็เป็นเรื่องปกตินะเขากำลังเจริญพวกชงเราก็เจริญพวทชงของเราพวกชงของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางช่วงจิตมันก็ใช้สตินะบางช่วงมันก็ใช้สมาธิบางช่วงมันก็วิจัยธรรมเขาธรรมะวิจยาคือเขาวิจัยธรรมโดยไม่ผ่านการนึกคิดโดยทดลองทดสอบอย่างเขาลองหมุนดูเร็วๆนี่เห็นไม นั่นคือลางวิจัยทํานะถ้าเร็วๆแล้วฉันเอาอยู่ไหมนั่นก็เป็นการวิจัยอย่างหนึ่งแต่ต้องใช้เครื่องมือทั้งเจดนี่พโอดชงเจ็ดนะพโอดชงเจ็ดเนีน่ยเป็นเครื่องมือนําไปสู่วิมุตติอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วน ะ, นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ในขณะที่เราจเจริญมรรคเนี่ยพโอดชงก็แสดงตัวเราต้องใช้สติประธานสี่อิทธิบาท 4, สี่สมัติประธานสี่อินทรียห้าพละห้าต้องใช้ทั้งหมด อยู่เว่าเวลานั้นน่ะจิตมันจะใช้เครื่องมือไหนจิตมันรู้อย่าไปสั่งเขาทำสั่งเขาทาแล้วเขาจะหลงทางแล้วก็อย่าสั่งตัวเองทำด้วยอย่าใช้ความรู้มู่งๆของเราในสมองนี้ไปสั่งจิตเราเปิการให้จิตเ้าดำเนินเราจิตเป็นวันมีหน้าที่เรียนรู้กับเขาต้องนอบน้อมถ่อมตนอย่าหางการ จะ่าเชื่อในความคิดตัวเองมา ก, ามากเกินไปตราบใดที่เรายังติดห่วงจริตเราอยู่เนี่ยเราจะมองไม่เห็นจริตคนอื่นเราต้องข้ามพนจริตตัวเองไม่มีจริตแล้วเนี่ยเราจะเห็นทุกจริตแต่ถ้าจิตห่วงจต่วงตัวเองอยู่เนี่ยเราก็จะเอาตัวเองเคยชินนี่ไปบอกว่าต้องทำแบบเราเราเจตนาดีแต่ประสงค์ลายเพราะเราไม่เห็นว่าเขากับเราไม่เหมือนกันเขากาลังฝึกวิชาเขาแล้วก็ฝึกวิชาเรา ไม่ใช่วิชาพ่อครูนะของใครของมันวิชาพ่กครูไม่มีวิชาแนวทางที่สูนยนี่ไม่มีแนวทางอย่าไปยึดมัน่นถือมั่นกับอุดมการมันเป็นแค่อุดมการมันเป็นลัทธิมันไม่ใช่ธรรมะธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือตัวธรรมะแต่ปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะ แล้วจะมีธรรมะได้ยังไงเพราะไม่มีธรรมะเพราะอะไรเพราะมีของเธอของฉันมีถูกมีผิดมีดีมีชั่วมันจึงไม่ใช่ธรรมะมันเป็นภาษามนุนาษย์ธรรมะ ม, ม, มันอยู่ในจิตเราทุกคนทุกคนก็เรียนรู้กับจิตตัวเองนะส่วนจะมีเมตตาบ้างเผลอไปมองคนอื่นเขาก็มองดูว่าจะช่วยอะไรจะให้อะไรเขาจะป้องกันปลอดไปยเขาะอะไรบ้างนะอย่าไปสอนเขาตอนนี้ปฏิบัติรู้ หน่อยหนึ <no> ่งเราก็คิดว่เหมือนทางโลกเราเรียนจบมหกแล้วเราก็สอนเด็กปสี่ได้อย่างนี้นะจิตวิญญาณไม่เหมือนกันเรายังติดบ่วงอยู่เราจะไม่เห็นจิตเขาเราจะไม่เห็นอนุสัยเขาเราจะเอาความเคยชินของเราเนี่ยมันทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บพราอย่างนี้ไงทุกคนเอาความเคยชินของตัวเองทุกคนเชื่อไม่เหมือนกันนะ แต่คนที่มีอัตตายึดมั่นถือมันนั้คนที่ให้ไม่ได้นั่นล่ละให้ไม่ได้จ้องที่จะจับผิดคนอื่นนั่นแหละไอ้พวกนี้ไม่ก้าวหน้านะหลุดหลอกตัวเองได้สักทีหนึ่งพักคูไม่มีอะไรนะพวกคูก็มีหน้าที่ให้ส่วนใครจะรับได้แค่ไหนทำได้แค่ไหนไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดมันเป็นเรื่องของนา น, นานจิตตังถ้าเราอยู่เฉยๆล้วก็ไม่ต้องสร้างวจจิกามไง ผู้เจ้าหรือว่าศาสนาพุทธหรผู้เจ้าไม่ได้พูดหรอกศาสนาพุทธเกิดขึ้นทีหลังเขาก็กลัวมันจะเกิดเหตุแบบนี้ไงโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เป็นนักบวชเนี่ยเขาก็เลยมีบล็อกไว้ว่าให้คำว่าอวดอุ ต, ตริมนุษยาธรรมเนี่ยเขาหลีกเดี่ยงไม่ให้เราพูดสภาวะธรรมหรือไปสั่งการหรือไปอวดอวดรู้พราข้างในเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าเรามีจริงหรือเปล่า ถึงจะมีจริงเนี่ยเขาก็หลีกเลี่ยงว่าอย่าพูดเดี๋ยวมันจะสับสนมันจะทะเลาะกันเพราะนอกจากราทนลุป้องจริงๆริงเราไม่ติดบ่วงอะไรเลยเนี่ยเราถึงเห็นจิตเขาไงเราจะบอกเขาบอกตามจิตเขาที่จะเป็นอ่ะเออเขาเลี้ยวซ้ายอยู่เราบอกเฮ้ยมึงต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอย่างนี้นะถ้าเราจิตไม่ติดบ่วงเขาเลี้ยวซ้ายอยู่เราบอกวิธีเลี้ยวซ้ายให้มันดีขึ้นอันนี้เราถนัดขวาแล้วก็บอกมึงต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเ น, นี่ยนะมันจะไปขัดแย้งกับจิตเขาเพราะเรายังมี เรายังติดบ่วงจริตเราอยู่นะเราต้องข้างพ้นก่อนใจเย็นๆเพราะเรามีความอยากนั่นแหละนะบางคนรู้นิดนึงก็อยากเป็นครูบาอาจารย์เพราะครูยังไม่กล้าเป็นเลยนะที่พูดพูดอยู่ตรงนี้เน่ะไม่ได้สอนใครเอาประสบการณ์ทางโลกทางธรรมมาแบ่งปันแต่ถ้าพูดหลงจิตวิญญาณแล้วนี่เขาตัวใครตัวมันเพราะครูไม่เคยสอนให้จิตทำยังไงนะ อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เลยเอาประสบการณ์ตัวเองตัวเองก็ก้าวหน้าระดับหนึ่งเท่านั้นเองพวกครูเคยเล่าให้ฟังเลยใช่ไม่มีคณะหนึ่งเนี่ยมาสิบกว่าคันรถตอนนั้นศูนย์ยังไม่เปิดไปอยู่ศูนย์ปากทองพระครูสร้างศูนย์ปากทองก่อนอยู่ไล่แหลมทองเกือบจะยี่สิบกว่าปีละยี่สิบปีนั่นแหละเขามาเต็มเต็มเลยมาเยี่ยมพวกครูนะสายนี้เขาเข่งสินมากถือสิน ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ใส่รองเท้าไม่ใช่เรื่องผิดนะก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งแต่เขาก็เอาความเคยชินเขาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งมาสอบอารมณ์พ่อครูถึงที่นี่ถุงในจะไล่แหลมทองนะเขามาถามว่าพ่อครูนี่ยึดหลักอะไรพรอครูบอกพ่อครูไม่ยึดมั่นถือมั่นครูบาอาจารย์ท่านนั้นเขาก็บอกว่าพ่อครูไม่ยึดมั่นถือมั่นพ่อครูขึ้นต้นไม้พรอครูก็ตกลงมา ไม่เคยได้ยินคําถามนี้นะสนุกดีจิตพวกครูว่าพระอาจารย์ก็เกาะอยู่ตรงนั้นล่ะขึ้นต่อไปได้หรือไม่ท่านตกใจเลยนะแล้วยึดศีลนแนวเป็นแนวทางเดินอย่างมีสติไม่ใช่ไปกอดศีลไม่ใช่ไปหลงศีลไปติดศีลติดว่าตัวเองดี้ไปว่าคนอื่นไม่ดีไปจับถูกจับผิดเขาบุกมาถึงขนาดนี้เลยท่านตกใจเลยนะท่านคิดว่าท่านรู้ไหม ยึดมันถือมันก็ไปหลงดีไปติดดีก็ไปว่าคนอื่นเขาไม่ดีแล้วมันจะไปไหนล่ะไอไปว่าเขาเนี่ยนะผิดศีลอย่างที่งสร้างบุญจีกรรมคนมีศีลจริงๆก็ไม่ทําอย่างนั้นเรายึดศีลเป็นปแนวทางเดินอย่างนี้พวกครูก็เรียนท่านว่าอย่างสมมติ ว, ว่าฝั่งนั้นเป็นพระ น, นิพพานเป็นเมืองนิพพานเราจะข้ามฝั่งเราต้องมีเรือเรือนี้เปรียบเสมือนศีลแล้วต้องมีพายเปรียบเสมือนสมาธิ เราต้องมีเข็มทิศเปรียบเสมือนปัญญาถามว่าเราถึงฝั่งแล้วพราครูถามว่าถ้าอาจารย์ถึงฝั่งแล้วจะแบกเรือขึ้นไปด้วยองไหมท่านก็ได้คำตอบบางอา จ, จเจ้าสมองโง่ๆมาสอนจิตพวกเราอย่าทำอย่างนั้นนะมอบน้อมถ่อมตนทำให้แตกฉานก่อนทุกวันนี้ศาสนามันเลอะเลือนเพราะอะไรพราเราคิดว่าเราเล้ไง ไม่รู้ว่าเครื่องต้นไม้จมกอดมันแน่นนั่นแหละก็ดูแค่นั้นะมันไม่ตกมันไม่ตกแน่นอนแต่ขึ้นต่อไปได้หรือไม่คุณยึดอย่างมีสติแล้วคุณก็ต้องวางโดยเฉพาะสินวิไนสินข้างนอกเนี่ยศินห้าสินแปดสิน 8, สิบถึงปฏิโมกเนี่ยเป็นแค่วิไนมันเกิดขึ้นทีหลังมันไม่มีตามธรรมชาติมันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องไม่ไม่ดี มันเป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมเป็นเครื่องมือต้องการมันมให้เราไปสร้างกำตราบใดที่เรายังทำให้ตัวเองเข้าไปสู่สภาวะเดิมของเราเนี่ยไม่ได้แล้วก็ต้องถือศีลยึดศีลเหล่านี้เป็นแนวทางเดินแต่ไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นเราจะไปหลงศีลเราจะไปหาว่าคนอื่นเขาเขาไม่ดีคนที่ว่าเขาไม่ดีเนี่ยผิดศีลอย่างยิ่ง หลายปีมาพวกกูโดนสอบแล้วพวกกูอยู่เฉยๆพวกกูไม่ไปยุ่งใครนะแต่เขาเข้ามาก็ดีแล้วได้แลกเปลี่ยนนะก็เดี๋ยวหาว่าพวกกูพวกกูไม่เคยสอนอะไรเลยเดยหาว่าพวกกูไม่บอกอีกพวกกูบอกแล้วนะแต่ถ้าไม่ทำก็เป็นเรื่องของเราเองเวลามีอะไรขึ้นมาอย่าหาว่าพวกกูสอนนะพวกกูไม่เคยสอนศูนย์นี้ไม่สร้างฉากมาเมื่อไหร่ก็เป็นแบบนี้ไม่มีกติกาแม้แต่หนึ่งข้อ ตั้งกติกาปุไม่ใช่ธรรมะธรรมะไม่มีธรรมะกติกามันเป็นภาษามนุษย์เป็นกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมันก็เลยไม่ใช่ธรรมะตั้งกติกาปมันจะมีคนผิดแล้วก็มีคนจับผิดกันอันนี้ขนาดมันมีนมกติกานะยังเผลอๆพวกเราไม่ถึงขั้นจับผิดหรอกเราหวังดีนั่นแหละแต่เราไม่รู้หรอกหวังดีของเรามันแฝงด้วยความประสงไลารารู้ว่ามันดีแต่เรายังไม่รู้ว่ามันดีสําหรับเขาหรือไม่ พราเขากับเราไม่เหมือนกันระวังถ้ายังไม่ข้ามข้มนั้นแล้วเนี่ยอุเบกขาสะบังไม่ว่าจะเรื่องทางโลกทางธรรมไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ช่างถ้าไม่แน่ใจก็นิ่งนะนิ่งปุ๊บไม่ได้สร้างกรรมแต่ถ้าเราไปนิ่งเราพูดออกไปปุ๊บเขาบังเอิญพูดบางทีถูกใจเขาไม่ใช่เป็นบวกนะแล้วไปสนองตันหาเขาเนี่ยเป็นลบอย่างยิ่ง แต่ถ้าพูดไปไม่ถูกใจเขาเนี่ยก็เป็นกรรมอีกเขาก็ดา่าเราอีกเขาก็เกลียดเราอีกเห็นไหมแต่ถ้าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วเราแตกฉานจริงๆเรารู้ว่าสิ่งที่เราเป่งออกไปนั้นมันเกิดประโยชน์เกิดมรรคผลอันนั้นคือธรรมทานการให้ทัางเป็นทานยิ่งกว่าการให้ทั้งกลวงที่บอกว่าอย่างเงี้ยนะ แต่ถ้าเราไม่แน่ใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเป่งออกไปมันไม่ใช่ธรรมทานมันอาจจะเป็นวัจีกรรมก็ได้อย่าพิ่งใจร้อนถ้ามันยังมีใจอยู่มันจะมีใจเย็นใจร้อนตาเตยที่เรายังไม่ระเบิดไอ้ใจทิ้งเนี่ยต้องสำรวมระวังต้องใช้สมมตประธานสี่บ่อยๆอย่าขยันสร้างวัจีกรรม เขาไมา่ได้เพียนให้สร้างวัจีกรรมนะเพียนละอกุศลที่มันมีอยู่แล้วให้มันหมดไปเพียนสร้างกุศลใหม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ไปจ้องตำหนดตีเตียนเขาเพื่ออวดอุตรีอวดว่าฉันเก่งกว่าเธอไปพูดสภาวะธรรมกันนะคุณจะมาแข่งอะไรกันใช่ในทางศาสนาเนี่ยมันกับกันนะแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร พราะูเคยเป่งวาจาเนี่ยบอกว่ายีโโย่สิบกว่าปีมีคนแย้งปะครูแพ้เป็นพระจะได้ไงมันโง่ <c oughs> การแพ้กลายเป็นคนโง่คนทุกคนต้องเลยชนะกันเลยไงต้องอยากเอาชนะเอาชนะก็เลยเป็นมารอยากชนะจนนอนไม่หลับกลัวแพ้ไงก็ทุกข์เรื่งไงจิตใจมันเป็นมารมันเล่าร้อนแล้วทําไมแพ้เป็นพระเป็นพระได้ยังไงเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสเรา ดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคนเห็นไหมกิเลสมันหลอกเราไม่ได้เราก็เย็นใจล้วก็เป็นพระแล้วเราเป็นพระผู้ให้เราให้อภัยเขาเขาอยากเก่งก็ให้เขาเก่งเถอะเราก็ให้ความสุขเขาเราเป็นพระแล้วแต่ตอนนี้เราไม่อยากเป็นพระเราจะเป็นคนเก่งเราจะเป็นคนอวดเก่งปฏิบัติแล้ว ต้องประพุทธให้ได้ไม่ใช่ติดบ่วงแค่รูปแบบปฏิบัติพอถึงเวลาชีวิตเราเนี่ยทำไม่ได้เสียเวลาสร้างภาพอย่างบางคนติดบ่วงพวกครูเมื่อวันก่อนไปส่งแก้วทิพย์กับป้าเขาบมงทอคนั่งอยู่แอร์พอรตเวลาสั้นๆเนี่ยก็เทศคุณป้าก็เอาวูโสเดินผ่านนี่สวดมนต์ทุกวันใช่ไหมสวดก็ดี เม่แผ่เมตตาแผ่แผ่แผ่แผ่พ่อมากแผ่เมตตาแต่ชีวิตจริงไม่เคยมีเมตตาเลยเขาเหยียบขาเราหน่อยหนึ่งก็ไปด่าเขาแล้วจะแผ่ไปทําไมแผ่แค่ลมปากเมตตาเลยถ้าเมตตาเลยไม่ต้องแผ่เสียเวลาแต่ถ้ายังเมตตาไม่ได้ต้องแผ่พื่เปลียนสติให้มันเมตตาได้ที่แผ่เมตตาตะมุบายวิธีบอกให้เราต้องเมตตานะเมตตานะแต่มิตรแผ่รักษารูปแบบแผ่เมตตาให้มันฟังแล้วมันไพเระ เพราะพิงแต่ชีวิตจริงไม่เคยเมตตาเลยมันมันหลอกกันแล้วเราเสียเวลาชีวิตเห็นไหมเมตตาทุกวันนะสูงก็ทำไม่ดูเราเมตตาเด็กได้โอกาสเจ็ดแปดร้อยคนญาติทำมาจากไหนก็มาไม่เคยต้อง ปุ๊ลงทะเบียนอะไรๆเนี่ยเพียงแค่รู้ว่าเออคนไหนจะพักที่ไหนเตรียมอาหารยังไงน่ะไม่ใช่ลงทะเบียนพื่เก็บเงินนะเราไม่โงงที่จะขายวิชาเราเมตตาไงเราให้งไงนี่เป็นหน้าที่ของเราส่วนใครจะฉลาดจะให้ก็เป็นเรื่องของเขาเขาเขาไม่พร้อมที่จะให้ก็เป็นเรื่องของเขาอีกเขาไม่ได้ผิดการให้ไม่ต้องมีเงื่อนไขนะ อันนี้เลือกที่จะให้ให้ที่ฉันดีใจฉันนี่จะให้อันนั้นกิเลสเท่านั้นอันนั้นอย่าให้ดีกว่านั่งเฉยเฉยไม่ขาดทุนถ้าให้แล้วดีใจนั่นแหละขาดทุนนะเพื่มอาหารทกิเลสให้คือจาคะคือเยนภูเขาออกจากอกมันก็เบาไม่ต้องได้อะไรบุญคือเบาบาปคือหนักนี่นคือขัดเกลาจิตให้ผ่องใสไงแต่ตอนนี้ ถ้าให้และดีใจฉันก็ให้ถ้าไม่ดีใจฉันไม่ให้สนองกิเลสทั้งนั้นเลยอันนั้นขาดทุนให้พระให้เมื่อทําบุญแล้วให้มันเป็นบุญไม่ใช่อยากได้บุญนะทําดีแล้วก็บางคนทําดีมาแล้วก็บ่นว่าไม่ได้ดีทําดียังอยากได้ดีอยู่เนี่ยอามิตรกิเลสทั้งนั้นพอไม่ได้ดังใจก็น้อยใจ หลุดจากมักจากทางไปทางดีก็ดีแล้วยังอยากได้ดีอะไรทางดีมันก็คือดีนะท่าสีขาวก็สีขาวท่าสีดำก็เป็นสีดำอันนี้เรามีเงื่องไขต ล, ลอดแล้วมันจะก้าวหน้าอย่างไรทานศีลภาวนาต้องไปด้วยกันส่วนเรายังไม่มีศีลโดยธรรมชาติเราก็ถือศีล น, นะ ถือศีนยึดศีนเป็นทางเดินเป็นการเตือนสติแต่ไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นคือว่าเป็นหลงศีนเราจะไปติดดีติดอะไรก็คือไม่ดีติดก็คือหลงติดก็คือหลงโลกกดหลงคือตัวทุกข์นะทันดีทันแค่พอดีแต่อย่าไปติดดีแล้วก็ละชั่วด้วย ไม่พออย่าลืมหนี้เก่าต้องขัดเกลื่อจิตให้ผ่องใสด้วยต้องสามอย่างเห็นไหมศาสตรของพุทธองค์นี่เรียบง่ายไม่วุ่นวายไม่สับสนไม่จุกจิกจิ้วจี้ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องเข้าคอร์สไม่ต้องไปเรียนจนมันทุกข์ไม่ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มแม้แต่หนึ่งอย่าง แค่เอามันออกเฉยๆลดลาเลิกมีศาสตร์ไนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ตอนนี้บางคนลหลงปสภาวะตัวเองนะนะหลงสภาวะตัวเองนะเลื่อไม่เห็นตัวเองนะทำดีก็ดีแล้วไงจะหวังอะไรเหรอเนี่ยถ้าเราหวังปุ๊บเราเราสร้างอนาคตละพระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่มีอนาคต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 และคนคิดเป็นที่สุดเลยก็คือมันไม่ต้องคิดเลยมันเป็นกุศลตลอดเวลาแล้วเราจะเป็นคนสิ้นคิดเราจะเป็นคนไม่มีอนาคตเพราะเราอยู่ปัจจุบันตลอดทุกวันนี้เราไปทุกเพื่อสร้างอนาคตเพื่อสร้างอนาคตทำบุญยังสร้างอนาคตอย า, อยากได้น่นอยากได้นี่มันไม่ใช่บุญมันเป็นการค้ากำไรเกินควรนะ ทำบุญร้อยบาทให้พุทธเจ้าสาธุให้ผุกรวันที่หนึ่งตะกีต่อมันไม่เกินไปเหรือเห็นไหมส่วนเราทำไปบุญที่เราสร้างมาเกิดมาถูกรวันที่หนึ่งก็โอเคสาธุก็เป็นผลปลอยได้ไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดแต่ถ้าเราตั้งใจที่ว่าจะทำบุญเพื่อจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเนี่ยนะมันมีอามิตรไม่ต้องกลัวมันจะได้ไม่ได้นะลบฝากธนาคารนานๆเนี่ย ถามว่าเราเบิกได้ไม่เบิกได้แต่ไม่จาเป็นอย่าเบิกนะเบิกมากๆมันจะหมดนะแต่เวลาเราเกิดวิกฤตเกิดเหตุเพศภัยเนี่ยธรรมชาติเขาจัดสรรเองเขาเบิกมาคุ้มครองเราผ่อนหนักให้เป็นเบาอย่าลวงมันไม่หายไปไหนดุลสืบเนื่องตายแล้วไม่ไม่จบมันข้ามภูอบข้ามชาติ คนคนนี้เจอคนช่วยคนคนนี้เจอคนฆ่าถามว่าทําไมทําไมคนนี้ตายคนนี้รอดมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยลอยอุบั ต, ติเหตุอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดเหตุ ด, ดับผลจะก็ ด, ดับมันเป็นหลักธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องทฤษฎีแบบอัยยศาสตร์ตัวเราไม่ใช่มันคือหลักความจริง เมื่อเรามีโอกาสในชาตินี้เนี่ยมาเจอทางแล้วเนี่ยถ้าไม่ตั้งมั่นไม่ใช้โอกาสนี้มันเป็นเพียนเมตตเอ้อราเหยืออยู่เนี่ยนะอันนี้ตัวไข่ตัวมันเราจะเสียชาติเกิดโดยใช่เหตุกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐไม่ใช่ง่ายถ้าทุกคนมีตาทิพย์มีอะไรมีจัหนาวนะอยู่ข้างๆตัวเรานั่งเรียงแถวเต็มไปหมดเลยรอเกิดแทนเรานะ แม้กระทั่งเทวดาอันนี้ไม่ใช้ร่างกายนี่ที่เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยมาเดินทางต่อแล้วเผลอๆยังไปสร้างกรรมเพิ่มอีกไม่ต้องเนะเาะโดยเฉพาะพวกเราอยู่ศูนย์นี่เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะอันนี้สงเนี่ยคือทุกคนเขาวิ่งมาที่นี่เนี่ยยังที่มาจากเพชรบุญมาจากอเมริกาเนี่ยนะ บอกพระครูว่ามีโอกาสนอนคืนเดียววิ่งมานะยังอุตส่าห์ไปเห็นไหมไกลแค่นี้ยังอุตส่าห์มานะเมื่อเขามาแล้วเนี่ยให้เขารับสิ่งดีๆกลับไปมีพลังชีวิตเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนพูดอย่างนั้นแหละแต่ตัวเองทําไม่ได้มันไร้สาระไร้สาระมันเป็นแค่ลมปากเหมือนแผลแผลเมตตานั่นแหละแต่ไม่เคยเมตตาเลยเนี่ย มันไม่มีกําลังเราต้องเมตตาจริงๆไม่มีอาลีศไม่แฝงด้วยอะไรทั้งนั้นเราเนี่ยได้กุศลอย่างยิ่งเห็นไหมเราให้เขาเราก็ได้ยังไงได้ยังไงก็วิดีโอถ่ายเธอเสี ย, ยงไงเธอเสียเธอให้เขานั่นแหละเราได้ให้งไงเอาทําไมต้องให้ล่ะฉันหาเกิดตาย <c oughs> แล้วเรากล่าวไหวพระเจ้าทําไมพระองค์บอกให้งไงทานางไง ทานเป็นหนึ่งในสามนะถ้าถ้าร้อยเอร์เซ น, นเนี่ยทานนี่สาสิบสามเปอร์เซ็นลยนะยิ่งใหญ่กว่าสติอีกสำคัญกว่าสติอีกเห็นทานศีลภาวนาไม่เห็นบอกว่าสติหน่อยแต่สติเป็นเครื่องมือในการเดินทางที่สำคัญพระครูไม่บางคนฟังเข้าใจผิดว่าพระครูปฏิเสธเรื่องสติไม่ใช่ต้องใช้มันใช้บ่อย ไม่ใช่เอาเวลาไปฝึกสติเพื่ออะไรจะได้มีสติจะเอาชนะคนอื่นตอนนี้สอนอะไรกันรู้ไหมหนังสือขายดีมากนะคิดบวกคิดบวกนะต้องมีสติคิดบวกนะเดี๋ยวยกตัว อ, อย่างว่ายังไงรู้ไหมแม้กระทั่งยกตัว อ, อย่างนักมวยพอมจะขึ้นเวทีบอกกูแพ้แน่แนแนเลยก็อบอกแพ้ตั้งแต่ในมุมแล้วเพราะไม่มีพลัง คิดบวกว่ากูชนะแน่ๆเลยมันก็หือเขินไงแล้วขึ้นไปมันก็สู้ไงนะแล้วพอเขาชนะแล้วเขาชนะจากอะไรรู้ไหมจากทําให้คนหนึ่งแพ้ศา ส, สนาสอนอย่างนั้นเหรอตอนนี้คนในศาสนาสอนแบบนั้นคิดบวกเพื่ออยากได้ไงเอาสติไงไปสร้างกรรมไงนักบวญไม่มีสติมันมันไม่ได้นะ ก็ต้องใช้สติไงไม่ได้ใช้สติเพื่อไปทำลายคนอื่นเพื่อตัวเองชนะศา ส, สนาสอนอย่างนั้นเหรอตอนนี้เขาสอนอย่างนี้กันไงหนังสือขายดีมากเพราะกิเลสมันชอบแต่พ่อครูไม่เห็นด้วยพว่อครูมีโอกาสก็พูดให้พวกเราฟังเชื่อไม่เชื่อก็ช่างแต่พ่อครูไม่มีเหตุผลต้องไปทะเลาะเ บ, บาแวงกับเขาเรามีหน้าที่ทาหน้าที่เรา เขาก็อ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของาศาสนาพวกครูก็อ้างสิทธิในเป็นเจ้าของาศาสนาสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าถามว่าภาษาลิเบตอยู่ไหนสาวกบอกอยู่ในป่านั้นพร้อมทั้งสาวกทั้งหลายพระโมคะลานะอยู่ไหนอยู่ในป่านั้นพร้อมทั้งสาวกทั้งหลายพิสูจน์อะไรในที่พพุทธเจ้านะ เจอพระเจ้าเลยนะทํามอยู่คนละป่าเพราะคนละจลิตไงเขาก็ทํำของเขาเราก็ทําของเราแต่ที่พูดบ้างเนี่ยเขาเอาภาพพจน์ของศาสนาไปพูดเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าสอนอย่างนั้นจริงๆเหรอส่วนเทคนิคอุบายวิธีจะทําอะไรก็ทําไปแต่ว่าเทคนิคอุบายวิธีใดที่ไปสนองตัณหากิเลสนะนะ มันไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าแน่นอนสอน เ, เพื่อจะชนะเพื่อจะเอาเพื่อจะได้นั่นแหละเร า, เาสติไปทําอย่างนั้นหน่เราต้องมีสติในการทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสไม่ใช่ฝึกสติแล้วเอาสติไปสร้างบาปไปเบียดเบียนคนอื่นเพื่อได้เพื่อสำเร็จเพื่อชนะ สติสัมโพชฌงค์มีอย่างเดียวเท่านั้นใช้มาเพื่อมิพานจำไว้ไม่ได้มีไว้เพื่อจะไปต่อยคนอื่นให้มันแพ้เราและเราดีใจแล้วมันเสียใจมันเป็นบาปหนักและยิ่งไปอ้างเอาภาพศาสนาไปพูดแล้วเนี่ยพวกคุมันถึงเลอะเรือนไงเพราะเราไม่ตั้งมั่น เราจะสนองตัญหาผู้คนเพื่อให้เขามาศรัทธาเราพวกครูไม่มีนะเราจะเอายุคนเยอะๆมาเบียดกันทำไมแต่เราไม่ปฏิเสธทุกๆคนที่มาที่นี่เราเปิดโอกาสให้ลอยไปตามธรรมชาติบารมีใครบารมีมันบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันแต่ที่นี่เป็นเวทีเจริญมรรคของทุกๆท่านนะโดยเฉพาะพวกเรามีโอกาสมาอยู่ที่นี่เนี่ยถ้า ไม่ใช้โอกาสดีอย่างนี้เนี่ยมาสร้างบารมีตัวเองและเพอเพยยังชอบสร้างกรรมชอบติเตียนชอบพูดเรื่องคนนั้นคนนี้นะช่วงหลังไม่รู้วาพ่อครูพูดคําว่าดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองนะนี่แหละคือเตือนสติไงล้วดูแลตัวเองหรือเปล่าเราทําร้ายตัวเองตลอดเราเอาอาหารป้อนกิเลสเราตลอดเนี่ยเราดูแลตัวเองไหมไม่เราดูแลกิเลส ถ้าดูแลตัวเองเนี่ยเราอย่าทำร้ายตัวเองคนเห็นแก่ตัวจริงๆเนี่ยต้องไม่ทำร้ายตัวเองคนทำร้ายตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวคนที่จะไปเอาชนะคนอื่นไปได้ไปได้เปรียบคนอื่นแล้วบอกเราเห็นแก่ตัวคนแบบนี้พวะครูไม่เรียกว่าคนเห็นแก่ตัวเป็นคนโง่เราทำร้ายตัวเอง คนเห็นแก่ตัวเองนี่ต้องไม่ทำ้ายตัวเองแต่ตอนนี้เนี่ยบางทีเราเผลอทำ้ายตัวเองตลอด<ส>ก็หลายปียีิบห้าปีพวกคูทำหน้าที่ทุกวันไม่ต้องรายงานใครนะอย่างน้อ ย, อยพวกครูรักษาป่าไม้ไมีโอกาสก็ปลูกเสริมบางครั้งต้องไปเบียดเบียนต้นไม้บ้างเนื่องจากเราต้องทำกิจกรรมที่จะสร้าง คนเราต้องขออนุญาตต้นไม้ลูกกระเวดาให้เขาเสียสละด้วยเพื่อร่วมมันทำบุญต้นไม้แต่ละต้นสาหรับพระครูแล้วมีความสำคัญถ้าไม่จาเป็นไม่แตะต้องแต่ถ้าจาเป็นแล้วเราจย่าไปลบหลู่เราต้องบอกเขาและตอนนี้ในบ้านแหลมทองเนี่ยมีป่าซูเปอร์มาร์เก็ตเหลืออยู่แค่สองแห่ง คือในศูนย์นี้กับในไร่แหลมทองตอนนี้ไร่แหลมทองกับเนี่ยมีไก่ปลาเยอะเลยแต่เพลอปุ๊บก็มีชาวบ้านมาจับกับดักอะไรอยู่เนี่ยนะมันมันเป็นอย่างนี้หมดอ่ะเนา ะ, ะก็เป็นเรื่องของเขาเ ม, มื่อเมื่งไร่แหลมทองปีนี้ญาติธรรมพวกเราเนี่ยไม่ค่อยไปเอากันโดยเฉพาะข้างล่างๆนะ ตรงบ้านหนยเนี่ยม่วงพันเยอะๆหล่นข้างอนหมดเลยก็ไม่ได้เสียหายนะมันหล่นมาปุ๊บก็เป็นปุ๋ยเลี้ยงแม่มันตอนนี oh ้เราจะไปฉีดยาเล่งปุ๋ยให้มันออกๆเยอะๆนะมีแต่เอาไม่เคยไปดูแลมันเลยแล้วมันก็แห้งตายนะมีแต่เล่งเราไม่เอาต้นมะม่วงเราจะเอาลูกมะม่วงทน่นลูกมะม่วงก็ปล่อยมันหล่นลงไปบ้างใบไม้หล่นลงไปบ้างมันก็รีไซเคิลก็เลี้ยงแม่มัน เห็นไม่ป่าดงดิบนี่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยเนี่ยข อ, อยามนุษย์แต่ไปทําลายล้างเนี่ยไฟป่าก็ไม่เกิดขึ้นหรอกมันชุ่มชื้นความชุ่มมันเยอะเนี่ยไฟมันลุกขึ้นไม่ได้แต่ตอนนี้ป่าไม้เนี่ยไหม้หมดเลยเพราะว่าความชุ่มชื้นน่ยมันหมดฝีมือมนุษย์เราถ้าเราเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราโลกนี้ไม่ใช่โลกของมนุษย์โลกนี้ของสรพรพสิ่ง เราก่อนจะทำอะไรเนี่ยเราต้องคิดว่ามันจะกระทบสรรพสิ่งอื่นไหมทุกแกมันจะเดือดร้อนไหมมดม่อจะเดือดร้อนไหมไก่ปลามกมันจะเดือดร้อนไหมแล้วจะเกิดชนนึกไงอันนี้เราคิดตัวว่าโลกมนุษย์เราจะเอาอะไรก็ได้ล้างฐานหมดเลยกําหนักแล้วก็เรากำลังจะรับกรรมนั้นแผ่นดินไหวอยู่ทางเหนือเนี่ยจนถึงวันนี้ยังไม่เลิกเลยนะ after s h o เมื่แปดเก้าร้อยเก้า้อบเกิดพันครั้งเลยมันเกิดอะไรขึ้นมันใกล้ตัวงานทุกทีเลยนะเพราะฝีมือมนุษย์อะทำให้โลกร้อนคนโบราณเนี่ยคนเก่าคนเขาพูดเล่นๆ่าคนอิสานนั่นกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเนี่ยนอกจากเลือสีเพราะครูบอกไม่แน่ถ้าตัวเทเรียนก็กินเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องอาหารไม่เป็นไรนะ แต่ถ้ากินแบบไม่บัญญาบรรยังเนี่ยทําลายล้างมันจนมันสูญพันนะพวกครูอยู่ดิมเขื่อนนะบ้านพักพวกครูอยู่ดิมเขื่อนพวกครูเห็นความเปลี่ยนแปลงยี่สบห้าปีตอนนาใหม่ๆนะต้นไม้แบบเส้นผ่าสูงกลางเนี่ยสองสักสองเมตรกว่าสามเมตรก็มีนะพวกครูยืนไม่ตรงนั้นยาวสามสี่สิบเมตรเลยต้นบักใหญ่ๆนะอยู่ใต้เขื่อนนะั้นเพราะตอนนั้นมัน ตอนจะสร้างเขื่อนเนี่ยมันสัมปทานมันตัดตัดตัดตัตัดนี่เป็นป่าดงดิบนะตรงบ้านพวกคุยอยู่ในี่เขาเรียกว่าหนองสี่เหลี่ยมเป็นตรงที่ช้างมากินน้ำตรงที่เราอยู่เนี่เป็นยอดเขานะตรงเขื่อนเนี่ยเป็นหูเหวหมดอ่ะเป็นป่าดงดิบแหละไม่ใช่ป่าธรรมดานะเขาก็อ้างว่าสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนนะไม่รู้มีคนรวยกี่คนไม่กี่คนหรอกตัดไม้ทำลายป่า เราสร้างเขื่อนเพื่อมารองรับน้ำฝนแต่เราไปทำลายไ อ, เอ้เครื่องมือสร้างน้ำฝนก็คือต้นไม้โอเคตอนนั้นมาชาวบ้านเขาก็ไปมุดเขาอเอาเอาออกซิเจนเข้าไปเขาก็มุดไปเอาไม้ขึ้นมาเนี่ยโอ้ตอนนั้นไม้เต็มเลยสนุกใช้ไม้เอาจนหมดแล้วนานๆจะ บางเอื่ว่ามันอยู่น้ําลึกอะไรบางทีมีโคเนเก็ไปขุดโคนออกเขาลมไปเป่าโคนนั่นแหละบางทีจะไปเจอตอนนี้ไม่ค่อยเจอแล้วละ่ะแล้วทีนี้ก็ตัดไม้เล็กๆเกขื่อนนี้เวลาหน้าแล้งเนี่ยน้ําลดต่อผุดตอนนี้ตอก็หายไปหมดแล้วตอนนี้มีประโยชน์นะมันเป็นที่หลบซ่อนของไอ้ปลาแก้วปลาส้อยนั่นแล้วเราลากอวนไม่ได้ไง พอปลาแก้วปลาส้อยตัวนี้มันสมบูรณ์มากแต่ตอนนี้เขาก็ใช้ตัดนะเอตัดตักตัดเต็มไม่หมดเลยเนาะเพราะตรงนั้นข้ามฝากเขาจะมีพัทยาน้อยนะคนมาเที่ยวอะไรนี่นะล้างผ่านจนปลาแก้วเนี่ยเกือบสูญพันธ์แล้วเมื่อปลาแก้วมันเยอะแล้วมันก็เป็นอาหารปลาใหญ่ปลาแต่และตัวพ่อครูมาที่นี่ปลาชโดนะแฝนขึ้นมาในสูงกับพ่อครูด้วยเต็มไม่หมดเลยโปรตีนเท่านั้น พ่อคุโอะอยู่ที่นี่เรามาอยู่ที่นี่นะเกิดวันใหนที่กระดาษเงินกลายเป็นกระดาษที่นี่เราอยู่ได้เรามีปัจจัยสี่เรามีฟืนเรามีพลังงานธรรมชาติในครัวเราเนี่ยเก้าสิบอร์เซนใช้พลังงานธรรมชาติคือไม้คือฟืนคือถ่านพระแขก็ใช้แก๊สบ้างสิบเปอร์เนแต่แก๊สเดี๋ยวพวระคูทํางานใหญ่พวงนี้เสร็จก่อนแล้วที่นี้ปีต่อไปพระคูจะลุยเรื่องศูนย์ปากทอง เราต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุดเรื่องพลังงานเรื่องอะไรก็ช่างเราต้องพึ่งตนเองที่นี้เป็นยังไงหลายปีมาต้นไม้เล็กๆน้ำวัดต่อไม่ผุดแล้ว <c oughs> ที่อยู่ที่หลบซ่อนของป่าแก้วก็ถูกทําลายหมดตอนนี้กําลังทําอะไรไหมตอนนี้มุดลงไปขุดลากถอนโคนทำเฟอร์นิเจอร์อันนี้เป็นประการลางของของพระของขอ ง, ของป่านะยี่สิกว่าปีเราเห็นความเจริญไง จเจริญมากๆเลยเนา ะ, ะเจริญทางด้านวัตถุไงแต่ด้านจิตวิญญาณนี่ยเราทําลายสิ่งแวดลอ้อมแล้วสุดท้ายเราก็ทําลายเราเองเพราะว่าอาหารธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มันกําลังจะหมดไปนี่คือจเจริญไงแล้วสุดท้ายเอาไปขายขายหมดมันก็หมดไงที่พวกคุณไม่ได้ทอดคนจนด้วยอะไรนะก็ไปสอนให้เขาอยากได้เขาก็อยากไงเขาอยากเขาไปกู้ในยืมสินมาลงทุนเข า, บาเบื่อไม่เรียนวิชาพัฒนาเงิน ดีนาทุนเขาก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบเขาก็ขาดทุนเขาก็ต้องทาทุกอย่างเพื่อจะไปจ่ายหนี้มันก็เป็นวัฏจักรตัว น, นี้ยิ่งเหลื่อมล้าเห็นไหมทรูวิวันนั้นเขาเอาคอมพิวเตอร์มันเป็นเจ้าภาพไปให้โรงเรียนด่านเม่นเราเพราะครูก็คุยกับผู้จัด ก, การในโซนอีสานเนี่ยไปแลกเปลี่ยนตอนนี้เทคโนโลยียิง่งเจริญเท่าไหร่มันยิ่งสร้างความเหลื่อมล้าของผู้คนในโลกมากขึ้น ไอ้พว ก, ไ ม, มกไม่มีก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ยิ่งห่างไปเรื่อยๆเมื่อเรามีเครื่องดูดฝุ่นยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูทรัพยาการเข้าตัวเองหมดเลยคนอื่นไม่มีจะกินนั่นแหละเขาถึงต้องขุดลากถอนโคนแล้วโลกมันก็ร้อนขึน้นทุกวันทุกวันเพราะมนุษย์เราตั้งโจทย์ชีวิตผิดเราเกิดมาต้องสร้างอนาคตอนาคตเราหมายถึงว่าถ้าในทางประเทศทุกประเทศต้อง GDP เพิ่มตัวเลข GDP จะกหนึ่ง GDP หมายถึงตัวเงินและตัวเงินแต่และตัวเงินหมายถึงการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างเร่งรีบจนมันมันปรับสมดุลไม่ทันตอนนี้ปลาในเขื่อนเห็นแล้วว่าปรับสมดุลไม่ทันเมื่อปลาน้อยไม่มีปลาใหญ่ก็ไม่มีจะกินใช่ไมและปลาใหญ่นี้ก็ถูกทาลายล้านตานนี้ปลาชะโดหลายปีแล้วพระครูไม่เคยเห็นเลย สมัยก่อนเนี่ยอยู่บนดินน้ํำน่ะเห็นดูมันเต็มไปเลยนะเราอยังไปช้อนขึ้นมาเรามาเลี้ยงดูนะเพราะกูกระนวลเด็กๆสอนเขาเลี้ยงสอนให้เขารักสา์แต่ตอนนี้หายสาบถูนหมดแล้วก็ในน้ําเขื่อนเนี่ยถ้าเราไม่รู้นะที่ว่าเราเราสูบน้ําเขื่อนขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เอามาใช้นะถ้าฤดูที่เขาฆ่าญ่าดิ่งปูดสวนยาหนังฉีดนะฝนตกลงมามันชาลงไปน้ําเขื่อนเนี่ยตอนนั้นปลาเป็นแผลหมด นี่คือวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้าสมมติว่เราไปจับตามากินมันเออมันไม่แสดงมันยังไม่แสดงตัวว่ามันเป็นอะไรเนี่ยนะแต่มันมีสารตกค้างแล้วนี่คือมะเร็งไงนี่คือมะเร็งก็พก่อครูเริ่มจากพก่อครูทําเกษตรเพื่อชีวิตก่อนศูนย์ปากท้องเมื่อได้ระดับหนึ่งพ่อครูก็มาทําศูนย์จิตใจศูนย์ปากท้องห้าปีศูนย์จิตใจห้าปีและทําศูนย์สมอง ควบพู่พวกคุณหมุนเวียนพัฒนาศูนย์จิตใจแต่ตอนนี้พวกครูก็ ก, ก, ก, ก, กลับไปศูนย์สมองและจะกลับไปศูนย์ปากทองคือทำให้สามศูนย์นี้เนี่ยเอื้อประโยชน์กันเราต้องอยู่ได้ตัวด้วยตัวเราเองเราจะไม่พึ่งอะไรว่าความไม่แน่นอนช่วงมีกำลังก็รีบทำนะก็สำหรับพวกพวกครูเองนะและอีกบางคนไม่ใช่ทุกๆคนเราฝึกมาแล้วยี่สิบห้าปี เราอยู่ตั้งแต่ไม่มีไฟฟ้าเราอยู่แบบธรรมชาติถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตเงินกลายเป็นกระดาษไฟฟ้าก็ไม่มีสาหรับเราเป็นเรื่องปกติจะเป็นยึคภาษีอาละ่ะอยู่เย็นเป็นสุขทุกวันนี้อยู่ร้อนเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกมาถ้าเกิดวิกฤตวันนั้นอ่ะโดยเฉพาะคนในเมืองเนี่ยไม่มีแอร์สามวันนี่ก็จะตายละ บางท่านมาที่นี่มาเจอเดือนเมษาพุษภาเนี่ยบน่นร้อนจังร้อนจังเดี๋ยวเดี๋ยวพรอคูจะส่งไปอยู่ขั้วโลกเหนือ้อยากจะบน่นนะอยากจะกลับเมืองไทยร้อนก็ต้องฝึกปรับสภาพให้ยอมรับมันหนาวก็ต้องฝึกปรับสภาพยอมรับมันถ้ามวมเราจะเลือกไอสิ่งที่เราชอบและพอมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะทุกตอนนี้มนุษย์เราหนีทุกข์ตลอด ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเมื่อเช้าก็มีโอกาสคุยกับอาจารย์อ้อยอาจารย์อ้อยก้าวหน้ามากก้าวหน้าโดยที่แกไม่รู้ตัวหรอกแกบอกแกซื่อมือมากไม่รู้อะไรเลยเจ็บมากมากแต่มีความสุข <c oughs> เราคุยกันเรื่องกฎพระไตรลักษณ์ลักษณะสารประการของธรรมชาติคืออนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาทุก ข, ขังที่นี่บางคนเข้าใจว่ามันคือความทุกข์ซึ่งเป็นตัวตรงข้ามกับความสุขมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทุก ที่ตรงข้ามกับสุขทุกขังตัวนี้คือมันดำรงอยู่ได้ยากเพราะอะไรเพราะมันไม่เทีย่ยงเพราะอะไรเพราะมันเป็นอ น, นัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนอาจารย์อ้อบอกเข้าใจแล้เข้าใจล้วคือแกเข้าจิตก่อนใครค่อยมาพูดคว่าเข้าใจคือความทุกข์ความเจ็บปวดนั้นเราบอกว่าทุกจริงๆว่าความเจ็บปวดไม่ได้แปลว่าทุกแต่เพืแปลเองว่าถ้ามันเจ็บ เราเราชอบสบายเราบอกท่านสบายแล้วสุขหนถ้ามันไม่สบายแล้วมันคือทุกข์เราไปแตะเองมันเจ็บมันแตลว่าเจ็บมันไม่ได้แตลว่าทุกข์เราไปแตะเองนี่แหละอาจารย์ว่าที่ว่าเอ๊ะทำไมมันเจ็บแต่แกไม่ทุกข์แกไมีความสุขว่ามันเจ็บนี่คือจิตปัญญาไม่ได้ไปว่ญญารู้มากนะมันไม่ได้ทุกข์กับมันไงที่ผ่านมาเราชอบสบายเห็นไหมพอมันเจ็บปุ๊บเราบอกเราไม่สบาย แล้วอาจารย์อ้ยเผอพูดคำหนึ่งบอกว่าแกป่วยป่วยห้าวันใครบอกอาจารย์อ้อยป่วยหมอบอกว่าถ้าชีวิตเธอไม่ปกติเธอเป็นคนป่วยแล้วก็ตีราคานะตั้งชื่อโรคนี้โรคนี้โรคนี้โรคนี้ถ้าไม่ตั้งชื่อมันตีราคาไม่ได้ไงทุกอย่างเป็นเงินหมดเป็นธุรกิจอาม่าพระครูนั่น ปีที่แล้วเน่ะสามเรือนมาอยู่ที่นี่เกือบแปดสิวกว่าปีแกไม่ค่อยเป็นอะไรกัไม่มีสิบเป็นไข้เขาทํางานมาตลอดไปจัดแกไปผ่าตัดตอนนั้นพ่อคูไม่รู้นะจริงๆแนละ้วถ้าพ่อครูรู้พวอคูไม่ให้ผ่าไปผ่าตัดแล้วมันเป็นนู่นเป็นนี่เราผ่าแล้วทําไมมันไม่หายหรอแล้วแกมาเจ็บท้องน้าวัยก็ดูเลยสี่ห้าวันแกก็ออกมาเต้น เป็นอีกสี่ห้าวันแล้วก็ไปเจ็บท้องใหม่พราะครูบอกปุกปุกปุกอาม่าไม่ใช่คนไข้นะอาม่าแค่เป็นคนเจ็บท้องเฉยแต่เราไปตั้งชื่อว่าใครเจ็บท้องคือเป็นคนเป็นไข่เป็นคนป่วยแล้วก็ไปรักษาแบบคนป่วยจากมันไม่ป่วยก็เลยป่วยจริงๆเราไปตั้งชื่อมันเองอย่างคนจิตที่เป็นซาดิสเราเคยได้ยินไหมต้องถูกเคี่ยนตีแต่มันเจ็บมันมีความสุขมาก ถ้าเราสอนเด็กๆมันเกิดมาเราบอกลูกเนี่ยถ้าอาการแบบนี้เป็นความสุขนะเขาด่าเราีนสุขนะเขาตีเราสุขนะพอมันโดนดา่ามันจะสุขมากเลยมันเป็นแค่อุปทานที่เราฝังว่ามันเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นไงมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นอุปทานพวกคุณเราบอกอาจารย์น้อยใครบอกอาจารย์อ้อยป่วยอาจารย์อ้อยไม่เห็นป่วยเลยเห็นไหมเจ็บก็ยังมีความสุขอยู่ด้วยแต่คนโลกเขาบอกว่า ร่างกายมันไม่มีแรงมันออกมาเต้นไม่ได้กลายเป็นคนป่วยคนไปเยี่ยมแกเยอะเลยแต่พวกคุณไม่เยี่ยมพ่าคุณไม่เยี่ยมถ้าแกตายพ่อคุณจะเผาให้มันไม่เห็นเป็นอะไรสัหน่อยหนึ่งใชหมบางทีคนป่วยอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่เป็นอะไรมากพอไปเยี่ยมมากๆมันกลับเป็นนะเพราะมันเหนื่อยมากเลยที่จะต้องคุยกับเราเราเร า, เราสร้างอุปท า, านยึดไปเองเนาะบางทีเราเข้าใจภาษาผิด ภาษาบ่งบอกนิสัยเราหลงภาษาอย่างไรนิสัยเราก็เป็นแบบนั้นนิดนึงนิดนึงก็หาหมอนิดนึงินก็หาหมอ to see d o c เราคิดถึงเขาเราอยากไปเห็นหมอแล้วในขณะที่หมอหลายคนวิ่งมาที่นี่อยากมาเห็นผู้ครูเราไปเท่าที่จําเป็นไม่ใช่อะไรอะไรก็หาหมอหาหมอไปปุ๊บเขาก็ให้ยายตัวเก่ามากินอย่างนั้นแหละเราไม่เคยพึ่งตัวเองเลย ผู้เจ้าบอกอัตเหียตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนก็เมื่อกี้กล่าวคําว่าทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังในที่นี้เนี่ยมันคือดำรงอยู่ได้ยากอย่างตัวเราเนี่ยอยู่ได้หมื่นปีไหมอนัตตาไม่ใช่แปลว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันมีอยู่แต่มันเป็นของชั่วข่าวเพราะมันดํารงอยู่ได้ยาก เพราะมันเป็นอ น, นิจจังเพราะมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายเมื่อจิตเรามันเข้าถึงตรงนั้นแล้วไม่ใช่มันรู้นะรู้ธรรมคือรู้กดพระใจรักไปสอบตาถูกหมดเลยมันคืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาปฏิสมุทบาทสิบสองขั้นตอนรู้หมดเลยเอาเรียยสจีรู้หมดเลยรู้แล้วแต่ก็ยังด่าคนอยู่ดรแล้วยังโกรธอยู่ไม่ใช่รู้แบบนั้นต้องเข้าถึง เมื่อเข้าถึงแล้วเนี่ยแม้กระทั่งเจ็บยังมีความสุขเลยถ้าจะไปทุกกับมันทําไมเจ็บมันก็เป็นเรื่องร่างกายมันเจ็บก็เจ็บไปสี่จิตมันจะไปโง่ไปทุกข์กับมันทําไมเจ็บมันแปลว่าเจ็บมันไม่แปลว่าทุกข์แต่เนื่องจากว่ากิเลสเรามันไม่ชอบเจ็บพอเจ็บมามันก็เลยรู้สึกไม่พอใจนั่นแหละเขาเรียกว่าทุกข์ทุกข์จนจนนอนไม่หลับทานเอากินไม่ได้ อาจารย์อ้อยพิสูจน์แล้วนะเที่ยว น, นี้นะเป็นครั้งที่สิบแล้วแต่ละครั้งมันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยกินกินอะไรไม่ได้และกลางดึกก็ต้องมีนิมิตอีกมันสอนทำอีกแต่แกบอกว่าแกอยู่เฉยๆนะแกไม่เคยแกไม่เห็นทุกข์ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทุกข์อะไรเลยนั่นแหละเขาเห็นทุกข์ขังแล้วเห็นว่ามันเป็นปกติเขาไม่ไปทุกข์กับมันแต่แตอนนี้ทางโลกเราหนีทุกข์ตลอด มันร้อนเหรอไปเปิดแอร์เอาความเย็นมากบเกลื่อนความร้อนเพื่อไม่ให้มันทุกข์มันเบื่อไปเที่ยวดีกว่าเอาความสนุกสนานมากบเกลือนความเบื่อเราก็เลยไม่เห็นทุกข์เราก็เลยไม่เห็นธรรมไม่เห็นความจริงว่าเรามีทุกข์เป็นประธานเราจึงไม่เห็นธรรมมาที่นี่ร้อน วันไหนต้องเอาทูบเทียนไปกราบไหว้พระอาทิตย์ที่ทำให้มันร้อนให้เราเห็นทุกไม่ใช่บ่นว่ามันร้อนเจอมแมลงก็บน่นกลัวอะไรไม่กลัวไปกลัวมแมลงมันตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะเอาทูบเทียนดอกไม้ไปไหว้หมแมลงสักราบให้มันเป็นครูมันทำให้เราเห็นอารมณ์เราว่าเนี่เราเป็นอย่างนี้แหละทำให้เราเห็นตัวกลัวเห็นไหมทุกอย่างเป็นครูหมดความร้อนก็เป็นครู ความเจ็บก็เป็นครูใช่ไหมถ้าเราสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์ไงแต่เราเห็นทุกข์เห็นว่ามันไม่เที่ยพอเจ็บปุ๊บวันนั้นอาจารย์อ้อยวันที่แกจะเริ่มแกบอกว่าแกระรกำลังเริ่มอาการทุ๊บแล้วก็หายไปห้าวันนั่นแหละเพราะคูดูตลอดจะนั่งจับหัวแกนี่ก็แจ๊บมาเพวกะคูเดินออกไปสมองหน้าถ้าเป็นคนวีนตายเลยฉันเจ็บขนาดนี้ยังมาซ้ําเติมกันอีก แล้วพอออกจากกรรมฐานแล้วนี่ไม่เจ็บเลยถ้ามันเจ็บจริงๆมันต้องไม่หยุดสิมไปดูประธานเห็นไหมมันเป็นธรรมอารมณ์แต่ไอ้เจ็บนั้นมันต้องทําให้โรรับกรรมนั่นแหละเมื่อโรรับมันแล้วมันก็ผ่านไปไงทีนี้พอผ่านไปแล้วพอสองสามวันสีห้าวันอยู่ในห้องน่ะบังเอิญว่าเออมันมีกิจกรรมประจําเดือนของของผู้หญิงเนาะมันออกมาแบบเทน้ําเทท่าเลยนะ แล้วก็เจ็บมากมา ก, มากเลยอาจารย์ราบอกเจ็บมากมากแต่มีความสุขดีเห็นไหมความเจ็บทำให้เราทุกข์ไม่ได้แล้วเพราะเราผ่านขั้นตอนฝึกมาแล้วไงนี่มันฝึกยิ่ในจิตไงมันทำให้เรารับตับเจ็บนั้นเจ๊บจ น, จนจนเคยเห็นเขาพูดคาว่าร้องไห้จนขี้มูกโป่งไหมวันนั้นพระคูเห็น นักวิชาการมาร้องไห้ที่นี่ขี้มูกปงร้องจนแบบเด็กๆร้องไห้แบบขี้มูกปงยังไม่ขนาดนี้เลยนะเห็นไหมถ้าเรา ย, ยังเอาสติข้างนอกนมาคุมอยู่กล้าไหมเรื่องอะไรฉันเป็นครูบาอาจารย์ฉันเป็นนักวิชาการฉันอายเสียมารยาทเสียบุคลิกภาพตอนนี้จิตมันไม่แคร์นะมันบอกเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเห็นไหม นั่นแหละคืออันนิสง์ที่เราลับกรรมตันนั้นแล้วเนี่ยพออาการมันเกิดขึ้นกับเราเราไป น, นอนที่เขาสมบุติว่าเราเรียกว่าเป็นคนป่วยนั่นคนป่วยมีความสุขดีมันเกิดอะไรขึ้นเราคิดเอาเองไม่ได้นะถ้าเราไม่ผ่านจุดนั้นเองมันเป็นปัจจดตังเวทีตัดโพวินยูหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตัวความเจ็บก็เป็นอุปท า, านมันไม่ใช่ของจริง แม้กระทั่งตัวเราไม่ใช่ของจริงเลยแล้วไอ้ตัวเรามันเจ็บมันจะไปจริงได้ยังไงไอ้เจ้าตัวช้ำเธอห้ามแก่นะเห็นคนแก่ทุกข์มากเธอฉันไม่ชอบเธอห้ามเจ็บด้วยนะฉันไม่ชอบและเธออย่าตายเลยนะฉันก็ไม่ชอบมันเชื่อเราไหมมันไม่เชื่อเรามันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ของเราเมื่อตัวเราไม่ใช่ของเราไอ้ความเจ็บปวดจะเป็นของเราได้ยังไงจิตมันโง่ไงมันถึงไปทุกข์กับมันไง จำไว้นะทุกมีไว้ให้เห็นไม่ใช่มีไว้ให้ทุกทุกขังนี่เขามีไว้ให้เห็นว่ามันดำรงอยู่ได้ยากมันเกิดขึ้นตั้งอยู่อารมณ์สุขมันก็เป็นทุกขังเหมือนกันนะอารมณ์สุขก็เป็นทุกขังเพราะดำรงอยู่ได้ยากมันเป็นของชั่วข่าวแต่ที่เราไปทุกกับมันเนี่ยเพราะเราไม่รู้เท่าทันมันเราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนจากความสุขสบายกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมากลายเป็นความเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกทุกข์ไงเพราะเราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเราต้องการสุขเราจึงทุกข์ไงมันเจ็บก็มันเจ็บสิเจ็บไม่ได้แปลว่าทุกข์ซะหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเรายอมรับมันว่าเอออารมณ์มันเจ็บเดี๋ยวมันก็หายแล้วก็เห็นแล้วออมันก็เป็นทุกขขังเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันดำรงอยู่ได้ยากความสุข ก็เป็นของชั่วข่าวความทุกข์ก็เป็นของชั่วข่าวความเจ็บก็เป็นของชั่วข่าวเพราะมันอยู่ในหลักกฎพัตไตรลักษณะสามประการของมันเมื่อจิตเข้าถึงตรงนั้นไม่ใช่รู้เฉยๆนะมันเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็สั์แต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นมันเจ็บเราก็รู้แต่ไม่ต้องไปเจ็บกับมันไม่ต้องไปทุกข์กับมันอาการเจ็บมันเป็นธรรมอารมที่ เมืนมือนเราต้องใช้หนี้กรรมยกตัว อ, อย่างนะไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาร่างกายหรอกเอาของหยาบๆเลยเราเป็นหนี้เขาเราเป็นหนี้เขาแล้วก็หาเงินเราหนี้เขาหมื่นหนึ่งเราหาเงินมาแทบแยกเลยนะมีหมื่นหนึ่งพันพอเขามาทวงหนี้จะจ่ายหนี้เขาคื 10, นหนึ่งหมื่หนึ่งเนี่ยจะรู้สึกเจ็บเสียดายเพราะอะไร ความโลภของเราไงทั้งที่เราเป็นหนี้เขาไงแทนที่เราจะดีใจว่าเป็นหนี้เขาเราไม่ต้องไปวิ่งจ่ายมันถึงบ้านมันเข้ามาถึงหน้าบ้านแล้วก็จ่ายมันเหมือนมันเจ็บปวดเราจ่ายหนี้กรรมทําไมเราไม่ดีใจเห็นไหมถ้าเราไปรอจ่ายหนี้กรรมนั้นมั่งรออยู่ว่าไอ้เจ้าหนี้เราเจ้ากรรมในเวรเราเนี่ยนะแล้วจ่ายไม่หมดหรอกบางคนที่มันเคย มันเราเราเป็นหนี้มันน่ะมันยังเป็นเทวดาอยู่มันยังไม่มาเกิดให้เราจ่ายหนี้นะมันยังเป็นวิญญาณล่องลอยอยู่อย่างนี้นะแล้วเราเมื่อไรจะจ่ายหมดตอนนี้เราเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยมันวิ่งมาหาเราเลยเนี่ยนะยังไม่ดีใจได้จ่ายหนี้ต้องดีใจนี่นแหละคือปิติเหลือเชื่อไ้มอาจารย์บอกเจบมากมากเลยโอ้แต่มันมีความสุขมากๆเลยเคยได้ยินคานี้ไหม ไม่ใช่พูดแบบสร้างภาพนะขยักเจ็บแบบนี้แล้ววันนั้นเนี่ยแกขึ้นแรงแบบทุลนเพราะครูเห็นนะแต่ละจังหวะเนี่ยแกขึ้นเพราะครูก็อยู่ตลอดบางคนบอกบายๆไม่เอาแล้วฉันอยู่ดีๆฉันมมานั่งให้ทรมานทําไมเพราะอะไรเพราะกิเลสมันไม่ชอบเจ็บไง ม, มันรู้ว่ามันไม่ชอบเจ็บมันมีแต่ความรู้แต่มันไม่มีปัญญาแต่เมื่อจิตมีปัญญาแล้วเจ็บมันก็แสดงอาการเจ็บมากเลย แล้วก็เหมือนมันเศร้ามากเลยร้องให้จนขี้มูกโป่งเลยไงแต่ออกมาอยู่เฉยๆแต่อาการที่แสดงกันนั้นเน่ยมันทุรนทุลายมากมันเป็นการช่วงที่ว่าจิตมันจ่ายหนี้แต่เมื่อจิตมันมีปัญญาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไปทุกข์กับมันไม่ที่ไปทุกข์กับมันนะอันนี้แหละคือเมื่อเรจเริญพุทธชงไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยจเจริญมาก ในมรรคเนี่ก็ต้องอาศัยโพธิปัจ ก, กียธรกกยรมสามจิตจักระกรเนี่ยมันก็เกิดผลนี่คือผลเมื่อผลสูงสุดแล้วเนี่ยสูงสุดคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่มีสติรู้เท่าทันกิเลสเท่านั้นเองนะเมื่อเรารู้เท่าทันกิเลสก็พัฒนาสู่ตัณหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดเราก็เป็นแค่คนไม่ทุกแต่เรายังไม่พ้นทุกเพราะเรายังมีอัตตาอยู่เราต้องฆ่าอัตตาตัวนี้ทิ้งซะระเบิดมันทิ้งซะ เข้าไปสู่สุญญาตาคือว่างจากอัตตาจิตยังอยู่แต่มันไม่มีอัตตาแล้วนั่นแหละคือปลอดภัยแล้วนั่นลหละคือวางใจได้แต่ถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยอย่าชะล่าใจแม้กระทั่งพระเทวทัพยัยงตกนรกมีโอกาสเกิดในยุคพุทธกาลได้เจอพระพุทธเจ้าและบังเอิญส่วนตัวเป็น เป็นพยาดด้วยนยังตกนรกเลยและเราเป็นใครบังเอิญเทวทัตนี่ฝ่ายบวกก็มีเยอะมากไม่งั้นไม่เกิดในยุคนั้นบังเอิญไปสร้างกรรมกับพระเจ้าไงแต่นี่ตามที่บันทึกนะไม่ใช่พระคูพูดเราเองว่าพอรับกรรมอย่นั้นเราเกิดมาอีกชาติหนึ่งก็บรรลุอรหันไอสภาวะธรรมมันไม่ได้หายไปไหนไอบุญก็ส่วนบุญไอกรรมก็ส่วนกรร คุณบาอาจารย์ที่เ็าติดต้อยู่บอกว่าทำบาปไปสร้างบุญน่มันไม่ได้อะไรแล้วก็ทำบุญไปล้างบาปมันก็ไม่ใช่บุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาบุญคือทำให้เราเพ็ดหนีไอ้กรรมมันมันก็ไล่บีเราอยู่เราต้องหนีออกจากวตาสงสารเนี่ยเป็นทางทางเดียวที่จะพ้นทุกข์พเจ้าบอกเป็นทางทางเดียวเท่านั้นแต่มีหลายอุบายวิธี อย่าไปนั่งทะเลาะ ก, กันว่าวิธีชั้นดีวิธีเธอไม่ดีแต่ที่พวกครูอธิบายให้ฟังนั้นน่ะจะให้พวกเราชัดเจนว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่เราจะได้รู้ว่าเราทำอะไรอยู่มันกันเรายังลังเลสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่าคาว่าถูกวิธีผิดวิธีเนี่ยถ้าพระครูมีวิธีตายตัวน่ะบางคนอาจจะทาถูกวิธีบางคนอาจจะท า, าจจะทผิดวิธี อันนี้มันไม่มีวิธีมันจะมีถูกผิดได้ยังไงทุกคนทําเองผิดถูกดีช่วยยังไงก็เป็นกรรมของตัวเองถ้าตัวเองเข้าไปในจิตแล้วไม่ใช้สติตัวเองก็ถูกวิบากกรรมสร้างมามันก็หลอกเราถ้าไม่จํา ค, คําพ่อครูบอกเวียนทิ้งเลยนะแล้วก็ติดบ่วงมันนั้นสักพักหนึ่งเสียเวลาให้มันชกต่อยสักพักหนึ่งบอบช้ําแล้วก็โอเคพอมันตื่นขึ้นเดินทางต่อมันก็ไปอีกแต่ถ้าเรา ก, า ก, ากล้ากลัวแล้วเนี่ย เมื่อได้เดินออกจากป่านะเหนื่อยมากเลยตื่นมากก็เห็นต้นไม้ตื่นทางต้นไม้เห็นแต่สัตว์เมื่อไหร่จะถึงสักทีหนึ่งไม่เอาดีกว่าไม่เดินรออะไรรอเสือมากินเรารอไฟไหม้ป่าเหรอชอบก็เดินไม่ชอบก็เดินต้องเดินเรามีหน้าที่เกิดมาเดินทางต่อเพื่อออกจากป่าวัตฏสงสารนี่ให้ได้นี่คือเป้าหมายของการเกิด นี่คือเป้าหมายของมนุษย์ผู้ประเสริฐไม่ใช่เกิดมาเรี้ยงเก่งๆหาเงินเยวเยอะแล้วก็รวยแล้วก็ไปซื้อความสะดวกสบายแล้วไปหลวงว่ามันคือความสุขแล้วก็ตายถ้านลำพังแค่นั้นอายลิงลิงไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องมีเจ้านี่ไม่ต้องมีลูกนี่ลิงรวดมันตีลังกาได้มันไม่ได้ทุกเหมือนเราก็ทั้งหมดที่กล่าวมาก็าให้เข้าใจว่าเราทําอะไรกันอยู่มีตัวไหนบ้างที่มันหลุดจากคำสอนพระเจ้าพอ่อคูต่อแล้วไม่มี ที่นี่ทำสามเรื่องเท่านั้นทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ปล่องใสอย่างอื่นไม่ทำนี่คือคําสอนพุทธเจ้าส่วนข้อปีกย่อยรายละเอียดธรรมาย่อยๆนั้นชอบแบบไหนก็เลือกเอาเองหลักมันมีอยู่แค่นี้แต่ตอนนี้เราไปเลือกข้อปีกย่อยเหรอมันไม่ได้ผิดนะเลือกเทคนิคนั้นก็ไปติดเทคนิคนั้นไปติดอุบายนั้นแล้วฝึกสมาธิเราเจริญสติเพื่อให้มันมีกําลังให้มันเก้าเข้าไปสู่ มักจิตแต่แล้วไปติดมันแล้วก็ไม่ก้าวไปไงอันนี้บางคนว่าเฮ้ยไม่เชื่อหรอกมีอะไรเล็วขนาดนี้มันเข้าไปในจิตแล้วทำไมต้องช้าละ่ะไม่ทำไมต้องช้าละ่ะเพราะเราไปคิดว่ากว่าจะจบด็อกเตอร์เลยมันต้องเรียนไปกี่ปีจากอนุบาลไปนับแล้วกครึ่งค่อนชีวิตเรีย น, นก็ยังทุกจบแล้วไม่ยังทุกอยู่คุณแค่ไม่กี่วันบอกเธอเข้าไปในจิตแล้วเขาไปอยู่ทางคนทุกข์อะไรกันแบบนั้น พค่ครูบอกมันไม่เร็วขนาดนั้นหรอกมันฝึกมาหลายชาติแล้วอย่านับวันเดือนปีนะต้องถามว่าปฏิบัติมากี่ชาติไม่งั้นเดนบัณฑิตเ็ดขวดมันรู้อะรหันไม่ได้หรอกแล้วจะไปติดบวงในความรู้แบบโลกียาแบบนี้แต่อย่าเปนิเสธความรู้ตรงนี้ก็เป็นความรู้ตรงนี้แล้วก็เรียนรู้ไปเป็นแค่เครื่องมือในการดํารงชีวิตนะแต่อย่าลืมปัญญา ปัญญาเนี่ยทําให้จิตไม่โง่ทําให้จิตมันไม่โง่ที่จะไปทุกข์อีกถึงมันจะเจ็บก็เจ็บสิก็แค่เจ็บไงทําไมต้องทุกข์ล่ะใช่ไหมถ้าไปแปลผิดไงจนก็ไปบอกว่าทุกข์หลายทุกข์หลายจนหลายาาพวกคุณดิสานบอกทุกข์ยากพวกกุถามว่าทําไมทุกข์ยากมันจน เขาไปแปลว่าจนแปลว่าทุกจนไม่ได้แปลว่าทุกรดยไม่ได้แปลว่าสุขบางคนจนอยู่ดีๆก็ไปทำให้ตัวเองยากจนนะย า, ายากเพอยากรวยไงก็ไปเป็นหนี้ไงดียากแล้วไม่มีหนี้ไม่จ่ายหนี้ไม่ได้เขาก็ไปยึดทรัพย์สินเราก็เลยยากจนมันยากเพราะมันเป็นหนี้นะไม่ใช่ยากเพราะมันจนจนไม่ยาก จนไม่ได้แปลว่าทุกแต่มันกลายเป็นยากจนเพราเราอยากด้วยเราก็ไปสร้างหนี้ไงตอนนี้ยากเลยไม่จ่ายหนี่เขาก็ไม่ได้นอนไม่หลับแล้วรวยไม่ได้แปลว่าสุขรวยแปลว่ามีมีเยอะมีเหลือล้นแต่ถ้ารวยจริงๆเนี่ยต้องแปลว่ามีเหลือล้นพอแล้วแต่ถ้ายังไม่พอก็ยังไม่รวยก็ยังจนอยู่จนแปลว่าไม่มีหรือมียังไม่พอ ไม่ได้แปลว่าทุกรวยแต่ว่ามีเยอะไม่ได้แปลว่าสุขไม่ได้แปลว่าสุขแต่เราไปแปลผิดไงสังคมบอกเราว่าต้องรวยถึงดีจนไม่ดีเพราะเราจนแล้วเราบอกว่าเราก็เลยทุกไงใครสั่งให้เราทุกใครสั่งว่าจนต้องทุกจนสุขไม่ได้เหรอพวกคูอยกับคนจนที่นี่พวกคุรู้นะเขาไม่ได้ทุกอะไรมากมายนะ อย่างเห็นไหมเราเห็นคนอีสานไปทํางานกับเราไหมาที่กรุงเทพสมการฉันจะกลับบ้านปีใหม่ฉันจะกลับบ้านศาสตร์อะไรฉันก็กลับลูกเดียวนะ่ะไม่ต้องกลับจะขึ้นตําแหน่งใหม่ไม่เอาฉันจะกลับบ้านเขาก็มีความอยากอ ย, กอยู่แต่เขาไม่อยากจนถึงขนาดว่าเขาจะทุกข์อะไรมากมายเขาไม่มีเขาก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่แต่บังเอิญเขาติดบ่วงสังคมเนี่ยไปหลอกล่อเขาเนี่ย ให้เขาก็มีความอยากใช่ไหมเขาก็เลยซื้อบอลเอร์ไซซื้อแล้วก็เลยเป็นหนี้ยังไงพวกครูมาใหม่ๆที่นี่เนี่ยเขาจนอย่างมีความสุขในน้ํามีปลาในนามีข้าวไม่มีเงินสักบาทนึงเลยก็ไม่ตายจะนอนตื่นกี่โมงนอนกี่โมงไม่มีใครว่าแต่นี้นักวิชาการด็อกเตอร์ไม่มีเวลาไม่มีเวลายิ่งเดียนไปยิ่งทุกข์ยิ่งเดียนไปยิ่งเป็นคนโง่ไม่มีเวลาทําให้ตัวเองไม่มีเวลา นะมีคนรายงานพระครูว่าลุงแดนตายถามว่าอายุเท่าไหร่อายุเก้าสิบลุงดังตายก็ตอายุแปดสิบอายุคืออะไรอายุคือเวลาชีวิตเราคือเวลาใครมีเวลาให้กับตัวเองมากที่สุดคนนั้นรวยชีวิตที่สุดตอนนี้เรารวยเงินแต่เราจนชีวิตเรารวยความรู้แต่เราจนชีวิตไม่มีเวลาไม่มีเวลาน่าสงสารมากแต่ไม่ชีที่นี่เป็นมหาเศรษฐีโน่บางคนนะ แต่บางคนมีเวลาอยู่ดีๆก็ทําตัวเองไม่มีเวลาเอาเวลาไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทําให้ตัวเองไม่มีเวลาแล้วกวาดใบไม้นีน่แล้วก็เป็นเศรษฐีเรามีเวลามาสร้างกาุศลไงนี่คือเศรษฐีตัวจริงนะถ้าเศรษฐีแบบทางโลกเนี่ยเขารวยเงินแต่เขาจนชีวิตเขาไม่มีเวลามาสร้างกุศลเลยเขาจนชีวิตเขารวยเงินเขาจนชีวิตแต่ถ้ารวยแบบานางวิสาขา น, นั้นก็เศรษฐีตัวจริง เขามีเศษส่วนเกินทําบุญเป็นแสนแสนเขาเรียกว่าอะไรล่ะทําเยอะมากเพราะเขามีเศษส่วนเกินแต่ตอนนี้ยิ่งหรวยยิ่งหรวยก็จะมีส่วนเกินเพราะว่าสร้างตึกขึ้นมาสิบชั้นก็เลงจะลงไปพักผ่อนข้างๆมันมีร้อยชั้นท่านนอนไม่ได้แต่เพราูช่วมันไม่ได้ไงเพราะเขายังไม่พอมีพระอิสอเอลลูปหนึ่งเนี่ยมาปฏิบัติกับพระครูท่านถามว่าพระครูถ้ามีคนบริจาคเป็นพระครูเยอะๆเนี่ย พวกครูจะไปแจกคนจนไหมบอกไม่เงินช่วยแล้วคนจนไม่ได้เขาบอกทําไมล่ะคนรวยยังเดือดร้อนเรื่องินอยู่คนจนมันจะเพวกคนคนรวยเขาต้องการเงินเพิ่มเพราะว่าเขาไว้กันว่าใครมีเงินมากกว่าคนนั้นเป็นที่หนึ่งไงเงเินไปให้คนจนเพราก็มีมากขึ้นแต่ถ้าเขายังไม่พอเขาก็ยังจนอยู่เหมือนเก่าเราต้องให้ปัญญาเขาให้ความรู้เขาให้เขารู้จักบริหารชีวิตเขาแต่ตอนนีสังคมหลอกให้เขาเนี่ยเป็นเหยือ่อ เอาวัตถุนิยมมาหลอกเขาตอนนี้ครั้งแรกหลายปีก่อนนะพ่อกูเห็นโฆษณาอย่างหนึ่งพวกชาวแมวนะ่ะคุณยายแ ก, แก่อยู่บนยอดเขานะพูดโทรศัพท์ทางไกลหลายสายเนะี่ยมันขัดแย้งอะ่ะแล้วตอนนี้เด็กเลี้ยงควายนะเมื่อที่พักพ่อกูเนี่ยตอนเช้าก็ไล่ควายไปไล่วัวไปกัก็คืนไล่ามานะขี่มอไซค์ไปเลี้ยงควายแล้วก็ถือมือถือนะไปเลี้ยงควายนะ มันขัดแยง้งมันขัดแยง้งตอนนี้แหละคือมันไม่สมดุลยิ่งเจริญทางวัตถุเท่าไหร่เนี่ยความไม่สมดุลยิ่งเกิดขึ้นนั่นแหละอันตรายยิ่งมากขึ้นความด่วนล้ำมากขึ้นการแย่งชิงทรัพยากรเนี่ยมากขึ้นการขัดแย้งก็มากขึ้นนะอันนี้พระครูก็พูดองลุมลวงมาว่าเราเสียเวลามาปฏิบัติทาไมเราจะได้ตอบโจทย์ตัวเองเราจะได้ตั้งมั่น มีเวลาหนึ่งวันรีบสะสมอัลลัพา์หนึ่งวันเพราะชีวิตเรามันไม่เที่ยงมันจะไปเมื่อไหร่ไม่รู้ถ้าเวลามันจะไปแล้วบอกว่าเฮ้ยเงินยังฝังอยู่ตรงนั้นเก็บไว้ตรงนั้นเน่ไม่ได้บอกใครเลยมันไปไม่ได้และจะเอาเงินตรง น, นั้นมาเปลี่ยเนเป็นอัลลัพย์มันเปลี่ยนไม่ทันมีโอกาสรีบสร้างซะเขาเรียกว่าเผื่อขาดเผื่อเหลือเกิดมันต้องไปฉับพลันแล้วมันจะเอาอยัางไง อนาคตชาติมันจะเอาอะไรไปใช้อย่าประมาทนะอันนี้สูนไม่ประมาทนะเราเตรียมตัวตายทุกวันตอนเช้านะกนมาใหม่พรุ่งนี้เช้าอย่าขาดนะรอบเช้าหกโมงวันนี้พูดเลยเวลาไปแล้วมันติดลมเนาะหยุดดีกว่าไม่งั้นก็ยาวเลยแล้วก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งนอนนะปฏิบัติครึ่งชั่วโมงนะยืดเส้นยืดสายก่อนเข้าไปนอนสุดท้ายนี้ก็ขอระตนาคุณพระศีละตนาไป